ไม่กลับบ้านเองเหรอเมื่เช้าไม่ไปโรงเรียนนอจ๊ะวันนี้ลาเรียน น, ยมยน ะ, ะมาจากที่ไหนกันนะกรุงเทพ ค, ครับไปมาป่ะไปมาครับไปมาแล้วนะมากับพาคุณแม่ชวนคุณแม่กับพี่ชายมากับอาจารย์ครับ อันนี้อยู่ที่ที่นี่ที่บางสะเล่คนหน้าเก่าๆทางนี้นะมาสักภูเก็ตครับสัปกเกตนะตมาทำธุระแถวนี้ได้ไงยมเพื่อนชวนม า, ามเพื่อเินอยู่ภรรยายนี่แหละครับ อ, อ, อยู่ผู้ใหญ่อะครับอยู่ภูเก็ตทำอะไรนะ่ะขายยาขายยา ที่นี่ก็เป็นร้านขายาเหมือนกันนะแต่เป็นยาธรรมโอสถ ย, ยารักษาโรคใจซึ่งมีความรุนแรงร้ายกาจ่าโรค ก, กายโรคทางร่างกายความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดนี้มันสูความเจ็บป ว, ว, วดทางจิตใจไม่ได้ จิตใจนี้เวลาปวดทรมานมากนี่ถึงกับไม่อยากจะอยู่ถึงอยากจะข้าตัวตายกันคนที่ข้าตัวตายกันไม่ใช่เพราะว่าเจ็บทางร่างกายแต่เจ็บทางจิตใจเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายทำอะไรได้กนเราอาศัยร่างกายเป็นสื่อเป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขต่างๆเราอาศัยตาหูจมูกยิ้งกายเพื่อที่เราจะได้เสบรูปเสียงกลิ่นลดแล้วพอเวลาร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ได้เ <c oughs> ช่นเป็นคนที่เป็นอมพตก <c oughs> เป็นอมภาาคนที่เป็นโรคร้าย <c oughs> คนพิการเราจะมีความทุกข์ทรมาน์ทางใจมาก เพราะว่าไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ความสุขทางหูทางตาจมูกลิ้นกายนี่มันเป็นเหมือนยาเสพติดเราต้องคอยเสพอยู่เรื่อยเวลาใดที่เราไม่ได้เสพนี่เรารู้สึกทรมานใจเหมือนคนที่ติดสุราติดบุหรี่ติดยาเสพติด เวลาที่เขาขาดบุหรีขาดสุราขาดยาเสพติดนี่เขาทุกมา ก, กเราก็ทุกข์เหมือนกันเพราะเราก็เสพเราเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราชอบหารูปดูกันเช่นภาพยนตร์ชอบหาเสียงฟังกันหาฟังเพลงอะไรต่างๆชอบหาขนมนมเนย ของรับประทานพราะมีกลิ่นมีรสพอวันเวลาใดที่เราไม่สามารถที่จะเสพได้เวลานั้นใจของเราก็ไม่สบายขึ้นมาแต่เราไม่รู้จักยารักษาโรคใจกันแทนที่จะเอายารักษาโรคใจมารักษากันเรากับเอายาพิษมา มารักษาโรงใจกันก็คือพยายามดิ้นหาสิ่งที่เราเสพสิ่งที่เราติดเวลาหาได้ก็ความวุ่นวายใจความไม่สบายใจก็หายไปชั่วขราวแต่เวลาที่อยากแล้วหาไม่ได้ก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจแล้วถ้า หาไม่ได้นานๆเขาก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะค่าตัวตายคนที่เคยมีความสุขทางตาหูจมูกม่นกายพอมาไม่สบายมาเป็นอัมพึกอัมพาตไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายหาความสุขได้หนะ้า ทนไม่ไหวก็อยากจะฆ่าตัวตายหรือคนที่แม้ร่างกายจะเป็นปกติไม่ไ ม, ไม่พิกลพิ ก, การไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ขาดเงินทองที่จะมาใช้ในการหาซื้อความสุขต่างๆก็เกิดความทุกข์ทรมานใจได้เหมือนกัน แล้วก็อาจจะอยากจะฆาาตัวตายได้เหมือนกันคนที่สูญเสียเงินทองไปเราไม่สามารถที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆได้ใจก็ไม่อยากจะอยู่อยู่ก็ไม่มีความสุขเพราะขาดเงินทองหรือคนที่เสียคนหรือสิ่งที่รักไปเสียคนที่เรารักไป เสียภรรยาเสียสามีเสียลูกเสียพ่อเสียแม่ถ้าเรารักเขามากๆเราได้รับความสุขจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับเขาพอเวลาเขาไม่อยู่แล้วเราก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรามีธรรมโอรสมีคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะสามารถรักษาใจของเราให้เป็นปกติได้ไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมของร่างกายไม่เดือดร้อนกับการเจ็บไข้าการพิกลพิการของร่างกายไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆไป อันนี้ยาทางร่างกายไม่สามารถที่จะรักษาได้ต่อให้มีหมอมียาดีขนาดไหน <c oughs> ก็รักษาได้เพียงทางร่างกายแต่าทางจิตใจนี้รักษาไม่ได้ <c oughs> เช่นเป็นโรคที่หมอไม่สามารถรักษาได้เป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้าย หมอไม่สามารถที่จะรักษาให้ร่างกายหายได้ร่างกายต้องตายภายในสามเดือนเวลานั้นถ้าไม่มีธรรมโอสถก็จะทุกขทรมานมากแต่ถ้ามีธรรมโอสถแล้วจะไม่รู้ไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะใจรู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายแล้วใจได้ฝึก วิธีที่จะอยู่ละโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องมือตอนนี้พวกเราขาดที่พึ่งทางใจกันใจเราเลยต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งใช้ข้าวของเงินทองต่างๆเป็นที่พึ่งถ้าวันใดวันหนึ่งเรามาพบกับสภาพที่เราไม่สามารถพึ่งร่างกายได้ไม่สามารถพึ่ง ทราบสมบัติเข้าของเงินทองได้ถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจเราเตรียมยารักษาใจไว้ก่อนพอเกิดโรคใจขึ้นมาโรค ว, ว้าเหวโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรควิตกกังวลโรคหวาดกลัว ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจมีธรรมโอสถเราสามารถที่จะกําจัดความเครียดความว้าเวความเศร้าส้อยงอยเหงาให้หมดไปจากใจได้เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถึงแม้ว่าเราจะหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินทองไปเที่ยวเหมือนกับที่เราเคยเที่ยวไม่มี ข้าวของไม่มีอะไรไม่มีบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีธรรมโอสถธรรมโอสถนี้ก็คือสติสมาธิและปัญญาถ้าเรามีสติเราระทำใจให้สงบเป็นสมาธิ แล้วเราก็สามารถที่จะมองเห็นความจริงด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรที่จะดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจคือสมาธิถ้าเรามีสมาธิจิตสงบเราจะมีความสุขจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกาย เมื่อเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นนสดมาเสพไม่ต้องใช้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาให้ความสุขกับเรา เพราะความสุขที่เราได้รับจากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขทุกรูปแบบตอนนี้พวกเราไม่มีความสุขแบบนี้กันเราเลยวิตกกังวลกันถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ดีกินดีมีเงินใช้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่เราก็รู้ว่าเราอยู่ในโลกของความแม่เท่ยงแท้แน่นอน เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อสองวันก่อนก็มีลูกศิษย์ที่มาวัดเป็นประจำอายุก็ไม่มากอายุแค่สามสิบกว่าสี่สิบก็อยมาบวชอยู่ที่นี่แล้วก็มาช่วยงานบางทีคนขับรถพาพระไปบินสบายไม่ว่างเขาก็จะมาขับแทน แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเขาก็จะมาขับรถแทนแต่พอวันเสาร์นี้เขาไปมีอาการทางสมองเขาไม่สามารถที่จะขับรถได้แทนที่จะมาช่วยกม็มาช่วยไม่ได้เพราะร่างกายเขาเกิดมีปัญหาขึ้นมาตอนนี้หมอบอกว่าขับรถไม่ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้เมื่อไรก็ได้ร่างกายของเรามันมีตัวแปรเยอะตัวแปรที่จะทำให้มันมีปัญหาทำให้มันไม่สามารถที่จะดำเนินการตามปากติได้อันนี้คือธรรมชาติของร่างกายของทุกคนท่านเรียกว่าอนิจจงอนิจจงก็คือไม่แน่นอน แล้วก็ไม่ถาวรชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็ต้องมีตายถ้าเรายังยึดติดกับร่างกายยังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้มันได้อาศัยมันได้ เราควรที่จะรีบเปลี่ยนที่พึ่งกันดีกว่าตอนนี้เราพยายามมาสร้างที่พึ่งใหม่ร่างกายก็เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่สักวันหนึ่งมันจะต้องเสื่อมที่เราจะไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้เรามาสร้างบ้านใหม่กันดีกว่าสร้างบ้านใหม่ที่ดีกว่าบ้านเก่า แล้วเป็นบ้านที่ไม่เสื่อมด้วยถ้าเราได้บ้านหลังนี้แล้วเราจะไม่ต้องไม่ต้องหาบ้านใหม่บ้านหลังใหม่นี้ที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบนี้เป็นบ้านที่ถานบของพวกเราตอนนี้พระพุทธเจ้าก็อยู่บ้านหลังใหม่ของพระพุทธเจ้าอยู่มาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วอยู่อย่างสบายไม่มีไม่มีมมทุก ไม่มีเรื่องราววุ่นวายต่างๆเป็นบ้านที่ให้ความสุขที่ถาวรก็คือเรือนใจเรือนของความสงบ yeah. สิ่งที่เราชาวพุทธเข้าหาพระพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะมาสร้างเรือนใจกันมาสร้างที่อยู่อาศัยกันแทน ใช้ร่างกายเราใช้ร่างกายแล้วเราก็ต้องทุกกับร่างกายในบ้านปลายร่างกายนี้จะให้ความสุขเราในเบื้องต้นตอนที่ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการแต่ในบ้านปลายของชีวิตร่างกายมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ แล้วในที่สุดเราก็ต้องสูญเสียมันไปพอสูญเสียมันไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่เราก็เลยไปได้ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เราก็ทำอย่างนี้มานับไม่ถ้วนละ จนวนร่างกายที่เราเปลี่ยนเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเปลี่ยนตั้งแต่เราเกิดมาที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้ามากี่ชุดละแต่ร่างกายนี่เราเปลี่ยนมากกว่าเสื้อผ้าที่เราเปลี่ยนหลายแสนเท่าหลายล้านเท่าเราเปลี่ยนร่างกายมาเรื่อยๆเพราะเราหยุดพึ่งร่างกายไม่ได้ เราต้องพึ่งร่างกายต้องมีร่างกายเราเลยกลับมาเกิดกันพอเกิดแล้วก็ต้องมีความทุกข์ตามมาพอเกิดแล้วก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาต้นเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากที่จะ ใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆห า, าะลาภยศสรรเสริญอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาไม่เสื่อมไม่มีวันหมดความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจเป็นตัวที่คอยผลักดันให้เราต้องไปดินน้นรนหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา แต่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะมันได้มาปั๊บแล้วมันก็หายไปหมดไปเร่นเราไปเที่ยวเมื่อวานนี้เราไปเที่ยววันนี้ความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวเมื่อวานนี้ก็หายไปหมดเหมือนกับเรากินข้าวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงก็หิวอีกแล้วต้องกินอีกแล้ว นี่คือความสุขทางร่างกายจะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอจะต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆแล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาแล้วก็กลับมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายอันใหม่ต่อให้เป็นร่างกายดีขนาดไหนก็ตามเป็นร่างกายของมหาเศรษฐีเป็นร่างกายของ พระราชามาหากษัตริย์มันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกับร่างกายของคนธรรมดาร่างกายของขอทานร่างกายของคนเราทุกคนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันเมื่อมีความแก่ความเจ็บความตายใจก็ทุกข์กับมันเพราะว่าใจไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจบ ป้อยใจยังต้องพึ่งร่างกายอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาแล้วเราจะได้ความสงบเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายเราก็จะเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายพอเราไม่พึ่งร่างกายเราก็จะไม่มีความอยาก ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายเราจะรู้สึกสบายนี่คื อ, อยารักษาโรคใจทุกวันนี้พวกเราทุกใจกันวิตกกังวลกั น, ก ล, น, นกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ จะกลัวแล้วไม่กลัวมันต้องเกิดแน่ๆเรื่องการพัดพาคจากกันเรื่องการเสื่อมเสียของสิ่งต่างๆมันต้องเกิดแต่เราไปยึดไปติดเขาไปเอาศัยเขาก็เลยเกิดความอยากไม่ให้เขาเสื่อมไม่อยากให้เขาจากเราแล้วเราต้องมาเลิกวิธีหาความสุขแบบเดิม เราต้องมาหาวิธีหาความสุขแบบใหม่มาหาความสุขจากธรรมะดีกว่าธรรมะนี่เป็นของที่ไม่ตายไม่เสื่อมพอเราสร้างขึ้นมาในใจแล้วมันจะอยู่กับคู่กับใจไปตลอดพอเรามีสติแล้วมันจะไม่หายไปมีสมาธิแล้วมันจะไม่หายไปมีปัญญาแล้วจะไม่หายไป เมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะมีความสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลาบยศสรรเสริญจะเสื่อมหายไปความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้จะหมดไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปก็ไม่เป็นปัญหาสาหรับใจที่มีความสงบใจที่มีความสุข พอใจปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอันนี้แหละคือวิธีรักษาโรคใจรักษาความวิตกกังวลความหวาดกลัวความเศร้าส้อยหงอยเหงาความว้าเวความหงุดหงิดนำคาญใจอยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุข ต้องหาอะไรมาดิ่มหาอะไรมากินกินแล้วก็ติดดื่มแล้วก็ติดเวลาไม่ได้ดื่มไม่ได้กินก็ทุกข์อีกอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปติดติดแล้วก็ต้องดิน้นรนหามันอยู่เรื่อ ย, อยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเขาเข้าวัดนี่เขาติดสุรา เขาบอกเขาเคยเก็บขวดโซลานี่มันกองสูงเท่ากับบ้านเขาเชื่อไหมโซลาที่เขาดื่มวันแต่ละวันเนี่ยขวดสองขวดขวดสองขวดวเขาเก็บไว้สะสมกองนี่สูงเท่ากับหลังคาบ้านเขาเดูว่าไปขายหรือเปล่ากันเขาคงขายแหละแต่เขาเก็บไว้ดูเล่นก่อน <c oughs> อยากจะดูว่ามันมากขนาดไหนพอกก็เห็นจํานวนมากโอ้ของโง่เนี่ย ตัวยากคิดต์มาฆ่าตัวเอง<ม>เสียเงินเสียทอง<ม>พอมาพบกับพระปฏิบัติเนี่ยพระที่ท่า น, นมาอยู่วัดยาเป็นพระปฏิบัติมาจากวัดถ้ำกองเพลนลูกเสืยหลวงสู่ขาวต<ม>อนีดช่วงนั้นท่านธุดงค์ผ่านมาทางนี้แล้ววัดยาไม่มีพระ ป, ปฏิบัติเป็นหัวหน้าผมเดียวจะสังกระดานเที่ยอะไรนิมนต์ให้ท่านอยู่เป็นหัวหน้า ก็เลยเอาวิธีปฏิบัติของพระป่ามาปฏิบัติญาโยมก็ศรัทธาเมื่อเห็นการปฏิบัติของพระป่ากับพระบ้านนี้มันต่างกันความเข้มขัดในธรรมวินัยนี่มันต่างกัน mm. ก็เลยเกิดศรัทธาเลือกเดิมโซลาได้ mm. แล้วก็มาปฏิบัติรับใช้วัดรับใช้พระขับรถพาพระเองไปบิณฑบาต อันนี้ก็เสียไปแล้วแ ก, กอยู่ประมาณ20ปีแล้วก็เนี่ยเกิมาบุกเบิกสร้างที่พักปฏิบัติธรรมบนเขานี้ก่อนนี้บนเขานี้ก็เป็นป่าตอนนั้นเขากำลังสร้างอ่างเก็บน้ำที่อยู่ข้างล่างที่เราขับรถเข้ามาจะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็ พอดีมีคนถวายไม้เก่ารื้อบ้านเก่าออกแล้วเนี่ยไม้ที่เราใช้อยู่เนี่ยที่สร้างศาลาหลังเนี่ยไม้พื้นเนี่ยเป็นบ้านเป็นไม้บ้านเขารื้อบ้านทิ้งแล้วก็เอาไม้มาถวายวัดทันก็เลยให้ญาติโยมช่วยกันแบกหามเพราะตอนนั้นไม่มีถนนขึ้นเขาต้องเดินกันขึ้นมาแล้วก็มาสร้างศาลาเนี่ย เสาก็เอาไม้ที่อยู่บนเอาต้นไม้ที่อยู่บนเขาเนี่ยเสามันจะ ง, ง, กก ง, งอๆมันเป็นต้นไม้เขาตัดมาส่วนไม้ที่มันเป็นรูปเป็นร่างก็เป็นบ้านไม้เก่าที่มาจากบ้านหลังคาช่วงแรกๆ ก, ก็ใช้หญ้ามูงอะปีสองหกปีสองหกนี่งห้าเก้าก็สามสิบสามปีแล้วเนี่ย นี้สามสิบสามปีแล้วแล้วตอนหลังเราเห็นว่าต้องมาคอยเปลี่ยนหลังคาอยู่เรื่อยๆทุกสี่ห้าปีหญ้ามันผุก็เลยเปลี่ยนเป็นสังกะสีดีกว่าทนทานกว่านี่ก็เปลี่ยนมาครั้งที่สองอันนี้สังกะสีอันนี้เป็นครั้งที่สองสามสิบสองปีสามสิบสามปีแนละ้วห้าสิบเก้า ในสาราหลังนี้ในหลวงท่านก็ขึ้นมาสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชในปีสองหกหลนที่เพิ่งสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ชอบปฏิบัติในป่าในเขาเมื่อก่อนไม่มีวัดยานท่านก็จะไปทางภาคอีสานไปอยู่กับพระครูบาอาจารย์เช่นหลวงตามหาบัวพระอาจารย์ฟัน้นพระอาจารย์วันท่านชอบไปวัดป่าไป ไอาวนาแล้วพอท่านมาสร้างวัดยานก็มีพระปฏิบัติมาสร้างกระตอบให้ถวายท่านอยู่บนเขานี่ท่านก็ชอบกระตอบเล็กๆไม่ใหญ่นะประมาณเนี้ยขนาดช่องนี้ท่านเองตอนเวลาที่ท่านมาทําภารกิจที่วัดยานตอนค่ํำท่านก็จะตอนเย็นๆท่านก็จะขึ้นมาพัก ทั้งแรบนเขาในหลวงก็่อยมามามาเฝ้ามาสนทนาธรรมท่านก็นมารับเสด็จที่บุญสาลาหลังนี้ในหลวงท่านก็เลยดําเนรให้อนุญาตให้พระอยู่อาศัยบนบนนี้ได้เพราะทรงประกาศเขตปา่าอันนี้ให้เป็นอุทยานเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามกฎหมายนี่เขาไม่ให้ใครขึ้นมาอยู่ไม่ให้ใครมาใช้ประโยชน์เนื่องจากพระมาอยู่ก่อนที่จะประกาศเขตท่านก็เลยอนุญาตเป็นกรณีพิเศษแล้วตัวท่านเองก็เคยดำเนีว่าท่านอยากจะถละราชสมบัติแล้วมาบวชอยู่บนเขานี่ตอนที่ท่านครบอายุหกสิบ แเนื่องจากเหตุการณ์ทางบ้านเมืองมันไม่สุมันมีเรื่องราวอยู่เรื่อยๆท่านเลยไม่สามารถที่จะส ล, ะลาราชสมบัติได้แต่ท่านมีความปลาลบที่เคยพูดถึงอยู่ก็เลยมีการเตรียมสถานที่ทําถนนราดยงราดยางเอาไฟฟงไฟฟ้าขึ้นมาเตรียมแต่พระเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้ากันเพราะว่า ป่ า, าพระป่านี้ไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้านี่มันจะเป็นพิษเป็นภัยมากกว่าเป็นประโยชน์เพราะมันเป็นช่องให้กิเลสมาได้พอมีไฟฟ้าเดี๋ยวก็มีเครื่องเสียงเครื่องภาพมีทีวีมีวิทยุมีดูยันมีเครื่องอํานวยความสุขต่างๆซึ่งเป็นความสุขทางร่างกาย ที่เป็นภัยต่อจิตใจเรนเลยไม่นิยมที่จะมีไฟฟ้าแม้แต่น้ําป่าก็ไม่ต้องมีอยู่กันแบบไปอยู่ทุ่งในป่าอาศัยรองน้ําฝนใส่แทงน้ำไว้ใช้กันส่วนน้ำห้องน้ําที่ญาติโยมใช้กันนี่ก็ให้ทางป่าไม้เขาช่วยบรรทุกน้ําขึ้นมาใส่ใส่ถังให้ <c oughs> เราก็อยู่กันมาได้ย เราขึ้นมาอยู่ตั้งแต่ปีสามศูนย์พอดีปีนั้นพระอาจารย์ที่มาพัฒนามือนเขาท่านลาไปท่านไปปีกวิเวกไปทุ่ ด, ดงที่อื่นก็พอดีไม่มีพระที่มีพรรษามากกว่าเราเราก็เลยได้มาเป็นผู้ดูแลไปโดยปริยายเ mm hmm. พราะปกติพระบ้านเขาก็ไม่ชอบขึ้นมาอยู่ที่อย่างนี้เ mm hmm. พราะไม่มีอะไรให้เขา เขาต้องอยู่ที่มีน้ําไฟสะดวกแล้วอยู่บนเขานี้พระก็ต้องเดินลงไปตั้งแต่เช้ามืดก่อนสว่างต้องลงไปให้ทันออกรถบินธบาติที่ศาลาเวลาเดินตามปกติก็ประมาณสี่สิบกว่านาทีเพราะมันสามกิโลครึ่งเดิ น, นมื่อก่อนเราเดินทุกวางแต่ตอนนี้เราแก่แล้วเราเลยขออนุ ญ, ญาตลงไปนอนข้างล่าง แต่เราก็อยู่บนนี้ยี่สิบปีตั้งแต่ปีสามศูนย์ถึงประมาณปีห้าห้าศูนปีห้าศูนย์เราก็ลงไปนอนข้างล่างบ่ายๆก็ลงไปบ่ายๆก็เดินลงไปเมื่อก่อนนี้ตอนหลังนี้มีญาติโยมขึ้นมากันเยอะก็เลยอาศัยรถญาติโยมลงไปตอนบ่ายแล่วนี้ก็มีงานทำใน ลงไปตอนเย็นก็เดี๋ยวนี้มีงานทำอย่างง้ยงานมันเข้ามาเดี๋ยวนี้ไปเทศต่างประเทศได้ละโดยไม่ต้องเอาตัวไปเอีนี้ไปทางส y p e มีญาติโยมอยู่ต่างประเทศนัดขอเวลาสนทนาฟังเทศฟังธรรมเมื่อปีที่แล้วก็ไปไปที่สิงคโปร์อยู่หกเจ็ดครั้งด้วยกันอาทิตย์ละครั้งหนึ่ง เขาจะมาประชุมกันรวมกันที่ที่วัดเขาที่สิงค โ, โปร์แล้วเขาก็ใช้กล้องเนี่ยถ่ายทอดเสียงกับภาพผ่านทางสกายฟ์กันเทให้เขาฟังแล้วเขาก็มีปัญหาเขาก็ถามนี่ตอนนี้ก็มีคนจองกันเป็นคิวแล้วเลยเนี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยววันจันทร์วันอังคารนี่ก็มีทางอินเดียขอมา มาฟังเทศทางธรรมเมื่อวันวันอาทิตย์ที่แล้วก็ทางแคนาดาที่นี่ก็มีมีการแสดงธรรมรอบค่าละเ <c oughs> มื่อก่อนก็มีสองรอบรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบเช้าก็ที่ศาลาหอฉันแต่นั้นจะแสดงเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์กับวันพระแล้วที่นี่รอบบ่ายเมื่อก่อนก็แสดงแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ อย่างนี hit, <f ad spray> s> <S ้วันมีถ่ายทอดสดก็เลยมีเกือบทุกวันแล้วนี่เดี๋ยวตอนข้ามเดี๋ยวก็มีก็พอมีเป็นช่วงๆพอมีช่วงเวลาพักเดี๋ยวเพราะปกเจะเทศตอนข้ามนี่ประมาณสองทุ่มสามทุ่มนัดกับเขาว่าสะดวกช่วงสองทุ่มสามทุ่มลงไปก็อาบน้ํำอาบถ้าเดินจงกรมนอนพักผ่อนครับ เปลี่ยนอริยาบทซะหน่อยอสองทุ่มก็สองทุ่มก็ถ้ามีนัดก็ก็พบปะคุยกันต่อจมีําหนิใช่คอาจารย์อยากตัาช่วยอธิบายเรื่องกรรมเกิดอกะไรกรรม็เกิดจากความอยากของเราเลยแหละอยากมีนุ่นมีนีน่มันก็ต้องต้องไปทำ การก็กรรมกับก็คือการกระทาการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจเช่นเราอยากจะไปเที่ยวเราก็ต้องคิดก่อนนะว่าจะไปภูเก็ตไปเชียงใหม่พอคิดแล้วก็ใช้วาจาจัดการจองที่พักเตรียมอะไรต่างๆถ้าไม่มีเงินก็ไปหาเงินก่อนหาเงินหาทอง กร ร, รรกรรมก็คือการกระทำไงเรามีการกระทาอยู่สามทางทำอยู่ตลอดเวลาเราทำกรรมอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้วโนกรรมก็คือความคิดวจีกรรมก็คือการพูดกายกรรมก็คือการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆทำไปแล้วก็มีผลตามมาเพราะการกระทานี้มีทั้งดีและไม่ดีให็นวันนี้ทาดีมาทาบุญ เราก็เรียกว่าบุญถ้าไปทำบาปไปดื่มสุราไปเล่นการพนันไปช่อกงไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีก็ปะเป็นบาปบาปก็มีผลไม่ดีผลไม่ดีก็คือความไม่ความทุกข์ใจความไม่สบายใจถ้าทำบุญผลดีก็คือทำให้มีความสุขใจสบายใจแล้วความ บุญกับบาปที่เราทำนี้มันก็สะสมไว้ในใจของเราพอเวลาร่างกายเราตายไปใจนี้จะถูกบุญกับบาปมาแย่งกันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึงใจไปสวรรค์ไปอยู่ในสภาพที่มีความสุขถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็จะเดึงเราไปอบาย ไปเป็นเนราชานไปเป็นเปรตไปตกนรกใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราจะสุขจะทุกข์เพราะอำนาจของบุญของบาปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปความสุขมันก็จะโผล่ ข, ขึ้นมาทบุญอะไรได้เยอะๆได้บุญดีก็มีสามขั้นเนี่ย <leaning> <serving> <ängen> ทำทานแบ่งปันข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ ช่วยเหลือผู้อนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้เขามีความสุขมีเรียกว่าทานอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมากกว่าขั้นที่หนึ่งก็คือศีลอย่าทำบาปรักษาศีลห้าอย่าไปเสพอบายามุขนการพนันเที่ยวกลางคืนดื่มสุรายามางคบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกียดคร้าน าการกระทำเหล่านี้จะทำให้เราไปทาบาปไปทำให้เราไปลักทรัพย์ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะมีความสุขเพราะเราจะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการไปทําบาปเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการทาทานแล้วก็เป็น ตัวที่จะป้องกันแม่เราไปเกิดในอบายถ้าเรารักษาศี่ห้าได้ตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่มาเป็นมนุษย์ก็ไปสวรรค์ถ้าไม่ได้ทําบุญเลยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าได้ทําบุญก็ได้ไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนสวรรค์นี่เป็นที่ท่องเที่ยวเราไปเที่ยวเหมือนกันเราพักผ่อนหย่อนใจเราไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวตามที่ต่างๆ สวรรค์ที่ก็เป็นเหมือนกับที่ท่องเที่ยวแต่ดีกว่าที่ท่องเที่ยวในโลกนี้เป็นโลกทิดภาพเสียงที่เราได้สัมผัสดีกว่าคุณภาพดีกว่าความสุขดีกว่าแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวพอบุญที่เราทำไว้หมดเหมือนกับเงินที่เราไปใช้ในการท่องเที่ยวหมดเราก็ต้องกลับมาบ้านกลับมาทำงานหาเงินใหม่ พอบุญที่พาเราไปสวรรค์หมดกำลังก็เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ถ้าตามได้เรามีความอยากเราก็จะขึ้นขึ้นลงลงระหว่างสวรรค์กับนรกสวรรค์กับอาบายก็อยู่กับบุญกับบาปที่เราทำไว้ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็หาความสุขแบบใหม่ หาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบเมื่อเรามีความสงบเราก็ไม่ต้องมีเราก็จะไม่มีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็ไม่ต้องไปท ำ, ทำกรรมไม่ต้องไปทำบุญทาบาปเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่พระพุทธเจ้านี่ท่านไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่เพราะท่านไม่ชอบความแก่ความตายความเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านก็เลยหาวิธีตอนในที่สุดก็ค้นพบว่าตัวที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันใหม่ก็คือความอยากถ้าเรายังอยากมีตาหูจมูกลิ้นกายยังอยากดื่มยังอยากรับประทานก็ต้องมีร่างกายแต่ถ้าเราตัดความอยากได้เช่นมาอยู่แบบพระกินก็ไม่ได้กินด้วยความอยากกินแบบกินยากินแบบโยยยาร่างกายถึงเวลาค่อยกิน เ้าก็ไม่ได้กินแบบมุมมาไม่ได้กินแบบอริดอร่อยกินเหมือนกินยากินเคี้ยวเคี้ยวกึนกึนเข้าไปให้มันอิ่มท้องให้มันดับความหิวมีอะไรก็กินได้ไม่ต้องเลือกอาหารว่าต้องเป็นอาหารชนิดนั้นถ้าเลือกแสดงว่าอยากถ้าไม่เลือกแสดงว่าไม่อยากถ้าอยากจะรู้ว่าอยากไม่อยากลองเอาอาหารทั้งหมดที่จะเข้าไปในท้องนี้มาคลุกกันในชามก่อน พวกันมันแล้วค่อยตัดเข้าไปกินแบบนั้นะกินแบบไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่อยากจะกินเลยนะต่อให้อาหารเอาเลยอร่อยขนาดนันลองเอามารวมกันดูเลยเอาแกงผัดเอาแกงเผ็ดเอาแกงจืดเอาผัดจืดผัดเผ็ดเอาข้าวเอาขนมเอาของหวานเอาผลไม้ของอะไรที่มันจะไปรวมกันในท้องแล้วใส่มันไปในชามนั่นแหละ แล้วก็คนมันเหมือนกับเวลามันอยู่ในท้องแล้ ว, ลวก็ตักข้าไปกินนะกินแบบนั้นนะกินแบบไม่อยากไม่จู้จี้จุกจิกนี่กินอะไรก็กินได้ถึงเวลาหิวจริงๆนี้อะไรก็อร่อยไปหมดนะข้าวปเปล่าคุกน้ําปลายังอร่อยเลยพวกเรากินมากเกินไปมันเลยทำให้ต้องเลือกกับข้าวกันกว่าจะได้กินยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วนี่ มันเห็นอะไรอร่อยไม่หมดกินได้หมดทุก อ, อย่าต้องหยุดความอยากแล้วเราก็จะไม่ทำบุญทำบาททำกรรมแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะเราเรามีความสุขทางใจเราทำใจให้สงบแล้วเราหยุดความอยากได้เมื่อเราหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายใหม่ เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จบกลับมาก็ต้องมาเนี่ยต้องคอยเติมน้ำให้มันค อ, อคอยเติมลมให้มันไม่อยากกินก็ไม่ได้มันหิวมันคอแห้งอาจานขอรบกวนถามต่อนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกรอเปล่า เ, เวลาเราทำบุญก็เหมือนเราพัฒนาจิตใจตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำบาปเราก็ทาให้จิตใจเราตกต่ำลงไปเรื่อยๆ อย่างเวลาเราดูในหนังละครอย่างเนี้ฮะเวลาคนตายก็จะมีเงาดํามีอะไรมาดึงจิตเราไปพบนู่นพบนี้แต่จริงๆอถ้าเราพัฒนาจิตเราไปเรื่อยเวลาเราตายจิตเราออกจากร่างเราตอนนี้ไปครับออกจากกายในชาตินี้ไปก็คือจิตเราจะไปในสิ่งที่เราฝึกจิตเรามาโดยอัตโนมัติเองหรือว่าจะมีคนพาเราไปครับก็นั่นแหะสิ่งที่เราฝึกนี่แหละที่เลียวกว่า บ, บุญกับบาสนี่จะเป็นตัวพาเราไป ถ้าบุญมันมากกว่าบาปมันก็จะพาเราไปที่มีความสุขถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปที่มีความทุกข์พาอะไรไปครับพาจิตเราไปจิตมันเกิดดับไหมไม่ดับหรอกจิตไม่ตายร่างกายตายแต่จิตไม่ตายสิ่งที่เกิดดับนี่เป็นเป็นอารมณ์ภายในใจไม่ใช่ตัวใจไม่ใช่ตัวจิต อารมณ์ต่างๆอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์สงบอารมณ์วุ่นวายนี้เป็นอารมณ์ที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทำํำเราทําบุญวันนี้เรามีอารมณ์ดีเราไปทําบาปเราไปทําการค้าขายไปแข่งแย่งแข่งแย่งชิงดีกันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมามันเกิดจากการกระทําของเราแล้วอารมณ์เหล่านี้มันก็สะสม ไว้ในใจเราเพอเวลาร่างการนี้ตายไปอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็จะมามาแย่งใจไปฝ่ายไหนมีกําลังแรงกว่าอารมณ์ดีมีกําลังแรงดีกว่าก็พาไปสวรรค์อารมณ์ไม่ดีมีกําก<อ>กลังมากกว่าก็พาไปอบายนี่เราจะลดความยึดมั่นถือมั่งยังไงคับก็นี่หละก็ เรายึดเงินทองก็เอาไปทำบุญนะ <c oughs> อย่าใช้เพื่อประโยชน์สุขของเราคืออย่าใช้ตามความอยากเงินทองนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับเลี้ยงดูร่างกายนี <c oughs> ้ถือห้ามรวยนะครับพระพุทธเจ้าถึงสละราชสมบัติถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้ารวยแล้วก็จะไม่มีวันที่จะ อ, ออกบวชได้กนที่ต้องการที่จะ เมื่อกี้ถามว่าอยากจะอะไรนะอยากละอุปทานอ่านั่นแหละคนที่ละอุปทานก็ก็ต้องละทุกอย่างเลยละลาภยศสารเสริญละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเป็นคราวาธรรมดานี้จะบรรลุทำได้ไหมครัถ้าละก็บรรลุได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นฆราวาก็แสดงว่าไม่ยอมละกันนถ้าละก็ไปบวชกัน่ะ เขาถูก็ปตรงไปตรงมาดีใช่ไหมอยู่เป็นคาราว่าไปทําไมก็อยู่คารว่าเพราะเรายังยึดติดกับร่างกายยึดติดกับลาบยึดสรรเสริญยึดติดกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายส่วนนักบวชนี่เขาไม่ยึดติดก็นั่นสินบวบ้าก็ในเมืองไทยมีคนกี่ล้านคนอ่ะเจ็ดสิบล้านมีคนไปบวชกันเสียเกี่กี่แสนอ่ะ มันยากไม่ยากก็ดูปรมาณคนบวชกับคนที่ไม่บวชการไปทําบาปโดยไป่รู้ตัวแล้วถ้าไปบวชล้วทําไม่ได้เนี่ครับเพระคนที่ไปบวชจริงๆเขาเขาเขาไม่ไปทําบาปอ่ะสมัยนี้มันมีบวชสองแบบเนยบวชแบบบวชแบบไม่รู้ว่าบวชเพื่ออะไรกับบวนแบบที่รู้บวชที่รู้่็บวชเพื่อละอุปทานตรงนี้เขาไม่ไปทําบาปก็ไม่ทําความดี ส่วนใน่พวกนี้จะไปอยู่ในป่ากันะอยู่ในป่าในเขาส่วนพวกบวชที่ไม่รู้บวชเพื่ออะไรนะี่เขาจะบวชอยู่ในบ้านในเมืองกันเขาะกี่ยบวชเพื่อมาทำพิธีให้ญาติโยมมาสวดศพญาติโยมมาสวดวันเกิดมาสวดขึ้นบ้านใหม่แล้วเขาก็มีค่าสวนเป็นสิ่งตอบแทนเขาบวชแบบนั้นกันนี่ไม่ได้ว่าเพียงแต่ เล่าให้ฟังเอเห็นอยู่ดังนั้นคนที่บวชจริงๆนี่เขาไม่มีวันทําบาปเขาจะแข่งขันกับศีลของเขาสองร้อยยี่สิบเจ็ดก้อนอ๋อพระนี่เป็นไรพ้าไม่เป็นบาปพระนี้ไม่มีเจตนานี้ไม่บาปเป็นขับรถไปหมาวิ่งตัดหน้าชนเราเนี้ยเบรกไม่ทันนี้ไม่บาปนะแล้วกรรมนี้ต่อไปนี้จะมีคนมาชนเราอีกไหมครับ อันนี้มันเรื่องปกติเป็นเรื่องของอความความผิดพลาดความความซวยก็ได้พูดอย่างน้ดีกว่า<ม>เดินไปใต้เดินใต้ต้นมะพร้าวมะพร้าวหล่นใส่โหัวตายก็มีอันนี้มันเป็นเรื่องของผลที่เกิดจากการมาเกิด<า>ก่อนเราต้องตายเออถ้าไม่อยากจะตายก็ต้องอย่ามาเกิดตายนี่มันมีตายสองแบบตามตายด้วยเวรด้วยกรรม ตายด้วยธรรมชาติตามตายด้วยวาระหรือตายด้วยอุบัติเหตุทำอย่างไรไม Life ่เกิดก็เนี่ยต้องปล่อยวางอุปทานทุงอย่างเนี่ยก็มาบวชนี่ไงก็ตอนที่เขาตอนที่เขามาบวชนี่ก็เพื่อเขาจะได้ไม่กลับมาเกิดกันรคุณอยากได้ไม่ใช่เหรออาจารย์ครับลบกวนถามเกี่ยวกับเวลาเราตื่นกับเวลาเราหลับอะครับอาจารย์ ผมสังเกตจากตัวเองช่วงหลังๆนะครับปกติผมจะเป็นคนไม่ค่อยฝันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เวลาเราตื่นเราพยายามจ ะ, จ ะ, จะเจริญสติให้มีสติให้รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ควบคุมความอยากตัวเองได้แต่เวลานอนนะครับความฝันมันมาหมดเลยฮนะแล้วเหมือนกับว่าบางทีเท่ารู้ตัวในฝันเราก็เฮ้ยไม่ได้นะเราต้องเบรกนะแต่ว่า มันเกิดเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะบางทีเราตื่นมาเราก็จะรู้สึกขอใจว่าเอ้ยหรือเรายังไม่ดีพอในขณะกลางวันเราทําได้แต่พอเรานอนเนี่ยกิเลสมันมาหมดเลยตอนที่เราไม่มีสติครับก็นั่นแหละตัวสติเนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้กิเลสมันหยุดหรือไม่หยุดเวลาเรามีสติเราก็ควบคุมกิเลสได้เวลาที่เราหลับเนี่ยเราไม่มีสติกิเลสมันก็ออกมาเพ่นพ่านได้ สาเหตุเพราะว่าเรายังไม่ได้ฆ่ากิเลสเนี่ยสตินี้ยังฆ่ากิเลสไม่ได้ตัวที่จะฆ่ากิเลสได้ต้องเป็นปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราเห็นโทษของกิเลสว่าทําให้เราทุกข์แล้วเราไม่ทาตามกิเลสเนี่ยอย่างนี้กิเลสจะตายในเวลานอนหลับฝันนี้กิเลสจะไม่โผล่ขึ้นมาแต่ถ้าใช้สติก่อยบังคับมัน เขานั่งสมาธิทำใจให้สงบในกิเลสไม่ตายพ อ, อจากสมาธิมาถ้าเผลอสติไปเห็นขนมเขาก็อยากจะกินเห็นอะไรก็อยากจะได้แต่ถ้าใช้ปัญญาพอเห็นอะไรอยากจะได้ก็เห็นว่าได้มาแล้วทุกข์อย่าไปได้ดีกว่าหรือได้แล้วเดี๋ยวมันหมดมันได้มาแล้วเดี๋ยวเดียวก็หมดหมดแล้วก็ต้องไปหาใหม่หาเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้น ถ้าเห็นอย่างนี้ก็มันก็จะตัดความอยากได้มันก็จะไม่อยากได้ไเห็นอะไรก็พออยากจะดื่มอยากจะกินก็บอกไม่เอาดีกว่าดื่มแล้วก็ต้องดื่มอเรื่อยๆหมดขวดนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเอาอีกขวดนึงไม่มีวันจบถ้าไม่ดื่มซ้ก็หมดเรื่องกรสร้างสร้างสัญญาไว้ก่อนก็ปัญญาใช้เหตุผลไงไม่ได้เป็นสัญญาเป็นเหตุเป็นผลปัญญาคือเหตุผล ว่าทำอย่างนี้แล้วก็จะเกิดอย่างนี้ตามมาถ้าไม่อยากให้เกิดอย่างนี้ตามมาก็อย่าไปทำมันใช่ไหมได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับแฟนแล้วใช่ไหมเพราะเรารักเขาเราหวงเขาเราก็หวงเขาไม่เห็นหน้าเขาเราก็ไม่สบายใจแล้วกังวลแล้วเป็นอะไรกันสรุปว่บวชอ้าก็นั่นแหละถ้าคนมีปัญญาเขาก็บวชกันนะคนที่ไม่บวชก็แสดงคนง่ออยู่ ยังมองไม่เห็นทุกข์ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณไม่สบายใจคุณไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่มีคุณจะไม่มีความไม่สบายใจคุณมีเงินคุณก็ไม่สบายใจกับเรื่องเงินทอ ง, งนะกลัวมันจะหมดกลัวจะไม่พอใช้คุณมีแฟนมีครอบครัวคุณก็กลัวเขาจะเป็นอะไรไปกลัวเขาจะตายกลัวเขาจะหายไปมีลูกก็กลัวเดี๋ยวใครมา ขโมยลูกไปพอมีอะไรแล้วมันต้องรักต้องห่วงแล้วก็เกิดความอยากไม่ให้มันมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาความอยากนี่ก็เลยทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเรามีแบบไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่ทุกข์ถ้มีเงินทองก็ไม่กลัวหายไม่กลัวหมดหมดก็หมดเมื่อก่อนไม่มีกูก็อยู่ได้แต่อย่างนี้มันก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับครอบครัวเมื่อก่อนอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ ตอนนี้มีครอบครัวก็มีไปถ้าเกิดครอบครัวจะนมหายตายจากไปก็ไม่เดือดร้อนมากกเดียวไปคนเดียวนะอ่านี่มันไม่คิดอย่างนี้เนี่ยมันลืมไงใช่ไมครับยตอนนี้มันมีอะไรเต็มไปหมดเป็นของครูเป็นของคร <c oughs> ูไปหมดอ <c oughs> ะจารย์ครับเมื่อกี้ที่อาจารบกทานศีลแล้วก็อิดติดติดตัวกนน็ภาวนา <c oughs> คือการนั่งสมาธิกับการเจริญปัญญาเนี่ครับ ต้องใช้สติเป็นตัวทำใจให้สงบนั่งสมาธิได้ต้องมีสติควบคุมใจไม่ให้คิดปุงแต่งเพราะเวลาใจคิดปุงแต่งแล้วมันก็ไม่สงบถ้าหยุดความคิดปุงแต่งได้ใจก็จะสงบเอ็นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีส ร, สร้างสติก็คือให้ใช้พุทโธ ท, ท่องพุทโธพุทโธไปอา้าเสียงหายไปอไม่ัองอาเปลี่ยนแจ๊กคยู ก็เราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเราต้องสร้างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทั้งวันจนหลับเลยเรลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุทโธไปลุกขึ้นจากเตียงเดินไปอาบน้ำอาบท่าละแต่งหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวกินอาหารก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็คิดเรื่องที่จําเป็นต้องคิดเป็นเรื่องงานเรื่องการอะไรทํานองนี้ได้อยู่แต่จะไปคิดถึงความ อดีตที่ผ่านมาโอ้ยเมื่อคืนที่ไปเที่ยวที่นั่นสนุกมากเกินแล้วไปเจอไว้คนนั้นหมั่นไส้มันมันพูดนี้เดี๋ยวต้องเขาใช้พูดก็ต้องพุทธโทไงคิดพุดโทแทนถ้าเราคิดอยู่กับพุทธโทมันก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เพราะใจเรานี้จะคิดได้ที่เเรื่องคือเพื่อเพื่อให้จิตมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วพุทธโทพูดโทไปเรยแล้วต่อไปมันก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดเราก็หยุดพุทโทได้ แล้วใจก็จะว่างใจก็จะรู้เฉยๆใจเรานี่มีสองส่วนมีส่วนที่เรียกว่ารู้กับส่วนที่เรียกว่าคิดไอ้ส่วนที่คิดเนี่ยมันตัวปัญหาส่วนใหญ่มันจะคิดไปสร้างเวรสร้างกรรมสร้างตัณหาสร้างความอยากเราเราไม่ใช่คนคิดใช่ไหมเรานัา่นแหละเป็นคนคิดออก็คุณเป็นคนคิดไปเถอะคุณจะมานี่คุณคิดหรือเปล่าคุณคิดจะมานี่ได้ไหมอยู่ดีมันจะคิดเองขึ้นมาได้เปล่า ก็ตงคิดหรืออาจจะมีเหตุทำให้มันคิดก็ได้เช่นหนาไปได้ยินได้ฟังว่าที่นี่มีอะไรมีพระอย่างนึงพระอย่างนี้ก็อยากจะมาดูมันก็เกิดจากความอยากอีกละความอยากมันเป็นตัวผักดันให้เราคิด <c oughs> ด้วยความคิดมันทำให้เกิดความอยากมันก็ชนกันมันก็ดันกันไปดันกันมานั่นแหละแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากก็หายไปชั่วคราว ใจก็ว่าถ้าไม่มีความคิดก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นอะ่ะเพราะมันไม่ต้องไปไหนเพราะไม่ได้คิดแต่พอคิดแป๊บเดี๋ยวคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะไปหาเขาหยุดคิดไปเพื่ออะไรทำไม อ, <ะ>อ้าว<ะ>ก็เพื่อทําใจให้มีความสุขเลเวลาจะหยุดคิดแล้วใจสงบเป็นสมาธิ<ม>ก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากร่างกายได้จากคนนั้นคนนี้ ที่ให้ภาวนาเพื่อให้เราได้มีความสุขแบบใหม่ความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องภรรยาเราละเรื่องสามีเราละ ล, ลูกเราละเขาจะอยู่เขาจะไปนี่บอกให้เขาไปได้ลนะเพราะเราไม่ต้องใช้เขาลนะ <c oughs> เราเราไม่ได้รักเขาหรอกเราใช้เขาเราก็เลยบอกว่ารักเขาความจริงหลอกเขาอะ ถ้าเกิดเขาไม่สามารถรับใช้ตอบสนองความอยากได้เราก็ไม่อยากจะอยู่กับเขาแล้วอย่างวันก่อนก็มีคนเล่าให้ฟังว่าพอสามีเป็นอามตะขึ้นมาพาดภรรยาก็ขอหย่าแล้วพราะอยู่ด้วยกันก็ไม่สามารถใช้เราได้แล้วนี่พอสามีภรรยาหยา่าสามีก็อยากจะฆ่าตัวตาย <c oughs> ก็มาเล่าให้ฟั ง, ม า, ฟงมาปรึกษาว่าให้ทํำยังไง <c oughs> กำมายไว้นั่งนั่งสมาธิซนะทาใจให้สงบ แล้มีความสุขแล้วก็จะได้ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศายาัยปัญญาแล้วก็จะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ความอยากใช้ร่างกายพอตายไปก็ไปหาร่างกายใม่ไปเกิดใหม่พอจิตมีมีความสุขแล้วจะลกอุปทานยังไงมันมีความสุขแล้วมันมันก็ไม่ต้องมีมันก็ไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีร่างกาย<อ>กไม่ตเลลยแ้วงอ่าเหนะมือนคุณอิ่มแล้วคุณก็ไม่ต้องกินข้าวใช่ไหอถ้าคุณยังไม่อิ่มคุณก็ต้องกินใช่ไหมถ้าคุณอิ่มแล้วต่อให้อาหารวิเศษขนาดไหนคุณก็ไม่เอาเลยใช่ไหมอ่านั่นแหะใจเราไม่อิ่มเลยใจเราหิวตลอดเวลาเวลาเรากินนี่เราไม่ได้ให้ใจกินเลยให้ร่างกายกินร่างกายอิ่มแต่ใจยังหิวพมื่อกินอิ่มแล้วก็อยากจะไปดูแลอยากไปฟังอยากจะไปทําอย่างอื่นต่อ แต่ถ้าคุณทำใจสงบแล้วไม่มีความอยากเลยไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากกินไม่อยากดื่มแม้แต่ร่างกายนี้จะหิวมันก็ไม่กินก็ได้มันไม่เดือดร้อนถ้าใจอิ่มผมมีจดคำถามมาถามพระอาจารย์ในหลังมันแบบเข้ามาในหัวครับ เ, เราควรจะปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหนะครับเช่นบางทีเราเห็นคนกระทาไม่ถูกต้อง เราควรจะว่าเก่าวตักเตือนหรือแจ้งความหรือไม่หรือว่าควรที่จะปล่อยวางไม่ควรที่จะอยากให้เขาเปลี่ยนเพราะยังไงเราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้แต่อีกในหนึ่งเราก็คิดว่าเราควรจะทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อที่จะเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่นถ้าเห็นคนอื่นกําลังเอาเปรียบรังแกผู้อื่นไม่รักษากฎจราจรเห็นคนทิรละเลยหน้าที่เราควรจะตักเตือนหรือปล่อยวางครับเพราะบางทีการไม่ทําในสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องเราก็ทุก แต่ถ้าเราทําไปก็เก็บมาทุกข์อีกว่าเราควบคุมความอยากของเราเองไม่ได้แต่จากประสบการณ์การปล่อยวางไม่ย่งเกี่ยวจะทําให้เป็นทุกข์น้อยกว่ามากกว่าเพราะส่วนใหญ่เรื่องมักจะยิ่งบานปลายเวลาเราไปตักเตือนคนอื่นเพราะคนอื่นไม่ชอบให้เราไปชี้ข้อเสียของเขาบางทีเราก็ลังเล ว, ว่าควรจะทําอย่างไรเพราะทุกข์ทั้งสองทางหรือเราควรจะเลือกที่จะปล่อยวางเพราะทุกข์น้อยกว่าก็ข้อที่หนึ่งก็คือมันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่า ถ้าไม่เป็นหน้าที่ของเราก็อย่าเสือก <Okay. laughs> <laughs> แต่ว่าถ้าอย่างเป็นหน้าที่เป็นเกี่ยวกับงานอะไรเงี้ยคือเราก็จะพูดได้ไใช่ไหมก็พูดได้แต่ก็ต้องยอมรับวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นครับเขาอาจจะเกลียดเราแล้วก็อาจจะไปเอาก้รงหินเฟืองใส่บ้านเราก็ได้อถ้าเราอยากจะรับวิบากก็เราก็พูดไปถ้าเราไม่อยากจะรับวิบากก็เจียมเนื้อเจียมตัวดีกว่า ก็เป็นปัตถภีใช่ไหมเหมือนที่อาจารย์เคยอการกระทามันต้องมีผลตามมาถ้ากับเขาแล้วถ้าเขาพอใจเขาก็ขอบใจเราถ้าเขาไม่พอใจเขาก็โกรธเราเกลียดเราซึ่งบางคนว่าตัดเตือนแล้วเขากับขอบใจเราก็มีเขาบอกว่าผมไม่รู้เลยขอบคุณมากที่อุตส่าห์เตือนผมเอน้อยมากเอ้คนก็ต้อง คุณก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าวรช่างน้ำหนักว่าเวลาพูดไปแล้วผลที่มันเกิดขึ้นนี่มันมันได้เสียมากน้อยกันถ้าเสียมากกว่าได้ก็อย่าไปเสียงดีกว่าถ้าได้มากกว่าเสียก็ทำไปพระพุทธเจ้าท่านก็ยังทําอยู่ท่านก็ยังสั่งสอนคนอยู่แต่ท่านก็เลือกสอนคนที่ฟังคนที่ไม่ฟังท่านก็ไม่สอน เห็นถ้าเราจะเตือนใครดูเขาว่าเขาเขาจะฟังเราหรือไม่ถ้าเขาไม่ฟังเช่นคนเมาเหล้าเนี่ยคุณจะไปเตือนเขาป่ะเนี่ยคนเมาเหล้าเขาไม่มีสติสตังค์เขามีแต่อารมณ์ไปพูดอะไรทําให้เขาไม่พอใจเดี๋ยวเขาก็ด่าเรามีเรื่องมีราวกับเราได้แต่ถ้าเราคิดง่ายครับอาจารย์ว่าถ้าเราไปเตือนเขาเนี่ยด้วยแลกับรู้สึกแย่เองที่เราไปห้ามความอยาก ที่เราจะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เราก็หยุดที่ตัวเราไปเลยใช่อันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องมองถ้าเราทำอะไรแล้วเราทุกข์เราอย่าไปทำเพราะเราเริ่มทำด้วยความอยากับแต่ถ้าเราทำลดใจเราไม่ทุกข์เราไม่สะทกสะท้านต่อวิบากที่จะเกิดขึ้นก็ทาไปถ้าคุณคิดว่าทำแล้ว <S <S ผลดีจะเกิดขึ้นแต่ผลเสียจะเกิดกับคุณแต่คนยินดีที่จะเจ็บตัวก็ทาไป เพเหมือนบางทีเราทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะทําแต่ว่าเรากลับมารู้สึกผิดเองว่าเฮ้ mm. เราปล่อยวางไม่ได้ถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้โกรธเคืองเราแล้วเราทําให้ทุกอย่างโดยรวมมันอาจจะดีขึ้นแต่เรากลับมาทุกใจเองเนะครับคุณก็อาจจะคิดว่าถ้าคุณตายไปแล้วใครจะมาทําหน้าที่แทนคุณ่ mm. มันก็โลกมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปความจริงโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มาก่อนคุณมาเกิดแล้วแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปหลังจากที่คุณตายไปแล้ว เพราะโลกนี้มันเป็นอย่างนี้คนที่มาเกิดในโลกนี้เป็นคนที่มีกิเลสตัณหาทั้งนั้นหาคนที่มีเหตุมีผลน้อยมากยันสู้มองเป็นว่าเป็ น, เ ป, นเป็นปกติของโลกนี้ดีกว่าเป็นปกติของคนที่ขับรถบนท้องถนนจะต้องปาดซ้ายปาดขวากันเอารัดเอาเปรียบกันเพราะมันนี่มันเป็นธรรมชาติเหมือนมดน่ะคุณเห็นมดมันขึ้นมันมีน้ำตาลที่ไหนมดมันก็ขึ้นที่นั่นใช่ คนก็คิดอย่างนั้นแหละว่าธรรมชาติของคนนี่มันก็เหมือนมดอยล่าที่ไหนมีช่องให้มันไปได้มันก็ไปมันแทะมันแทกเข้าไปด mm hmm. ้ว่อยเพราะตันหาความอยากอยากจะไปให้ถึงที่เร็วๆมันก็เลยไม่คำลบกฎจราจรไม่เคำลบไม่คํานึงถึงความเสียหายความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่ น, น, นคุณก็ต้องทําใจเนี่ยดีที่สุดนั่งพุโทโธ mm hmm. พุโทโธไปดีกว่า แ่าเกิดเาเห็นคนนี้เขาขุดทําร้ายต่อนหน้าเราละ่ะคะช่วยได้ก็ช่วยแต่ถ้าเราเจ็บยอมเจ็บตัวก็ก็เจ็บมันก็มีผลตามมาช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้ห้ามไม่ให้ช่วยออันนี้การกระทามันมีผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยอาจจะได้รับรางวัลก็ได้ใช่ไหมไปช่วยเขาแล้วตอนนี้เดือดร้อนเขาก็ขอบคุณเราตอบแทนเราด้วยรังวีรางวัล แต่คนที่เราไปขัดขวางเขาก็อาจจะจองเวรจองกรรมเราก็ได้คือบางทีผมก็เคยคิดครับอาจารย์ว่ามันเป็นเส้นบางๆระหว่างความเห็นแก่ตัวกับการปล่อยวางครับถ้าอย่างนั้นเหมือนบางทีผมก็เคยคิดว่าถ้าเราทําอะไรเราไม่ได้ผิดศีลห้าหรือศีลแปดเนี่ยแล้วเราไม่ได้คําใครเดือดร้อนแม้กระทั่งเราจะไม่ได้ช่วยใครเราก็ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมมันเพียงแต่ขาดความเมตตาท่านขาดความเมตตากรุณา เออบางทีช่วยได้ไม่ช่วยอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าช่วยแล้วเราทำให้เราเสียหายหรือไม่ถ้าเสียหายแล้วก็มีเหตุผลว่าช่วยไม่ได้เชนเราขับรถไปอาจจะเห็นคนเขาโบกรถเขาจะขอสายขึ้นเนี่ยแต่เราไม่มั่นใจว่ า, วาเขามีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าเราก็อย่าไปเสีย่ยงช่วยไม่ได้มันทีอยู่ในการเียที่ว่ามัน เราเสี่ยงกับเอราบางทีคนเขาใช้ความใจเมตตาของเราเนี่แหละเป็นเครื่องมือที่จะหาผลประโยชน์จากเราทําเป็นไม่สบายทําเป็นเดือดร้อนพอเราไปช่วยเขาพอเราเผลอเขาก็เลยปนละที่เราได้อันนี้ก็ต้องบางทีก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกที่มันบางทีก็ต้องทําใจต้องปล่อยวาง กิถือว่าเป็นกรรมของศาสตร์ไปอถ้าเราเป็นเขาเราก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจคนหนึ่นจะไ ม, ไม่ช่วยเราเราก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเราก็พยายามแก้ปัญหาของเราไปตามสภาพแก้ได้ก็แกแก้ไม่ได้ก็แล้วไป วันนี้ผมภาวานาบริกรรมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคิดว่าจะปรบริกรรมจนกระทั่งเข้าสมาธิให้ได้ก่อนแล้วถึงจะถอยกลับลงมาพิจารณาไจรักซึ่งยังไม่เคยเข้าได้ถึงสงบถึงขั้นัปปนาแต่ว่าก็จะนั่งถึงประมาณชั่วโมงกว่าจนกระทั่งขามันไปไม่ไหวรับ ก, ก็เลยพยายามจะพิจารณาใจรักก่อนที่จะลุกเพราะอย่างน้อยก็ถือว่าฝึกพิจารณาก่อนที่ถ้าถึงเวลาจริงมันไม่มีอุปายพิจารณาก็จะลำ บ, บากอันที่ผมไม่แน่ใจว่า เราควรจะพิจารณาตายรักเนี่ยตั้งแต่รู้สึกเริ่มเจ็บปวดเลยหรือว่าขอให้เข้าสมาธิต้องท่อยถอยกลับลงมาก่อนนะครับคือเรื่องของการพิจารณาตายรักเนี่ยเราพิจารณาได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราเข้าไปในสมาธิเท่านั้นแนหะเวลาเข้าไปในสมาธิจิตสงบเงียนี่เราไม่ต้องการที่จะดึงจิตออกมาพิจารณาเราต้องการให้จิตพักให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ก็เป็นการเสริมพลังให้กับจิตแต่เวลาที่เราออกมาจากสมาธิหรื อ, อยังไม่ได้เข้าสมาธิเนี่ยเราสามารถใช้ตาลรักได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราพิจารณาตายรักณ์เพื่ออะไรตาลรักนี้พิจารณาเพื่อเราปล่อยวางปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรายึดติดเยอะเช่นร่างกายของเรา เราพิจารณาเพื่อเตือนใจเราไม่ให้หลงไม่ให้หลืมว่าร่างกายเหล่านี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเพราะสักวันหนึ่งจะต้องจากเราไปแล้วเราก็ไปสั่งมันไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นเป็นของเราไปเรื่อยๆเราก็จะทุกเวลาที่มันไม่ได้เป็นเราต้องการที่จะมาแก้ตัวคือความทุกข์ใจตัวนี้ ถ้าเรามีใจรักอยู่ในใจเรื่อยๆเราก็จะปล่อยนี่จะปล่อยได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กำลังของใจคือถ้ามีความสงบมากก็จะปล่อยได้มากถ้ามีความสงบน้อยก็ปล่อยได้น้อยอยิง่งถ้าบางทีเราพิจารณาแล้วแต่เรายังปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าใจเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขา เรานั้นเราก็ต้องหมั่นพยายามสร้างสมาธิสร้างโอเบขาให้เกิดขึ้นก็ต้องนั่งสมาธิแล้วทำใจให้นิ่งให้สงบฉะการจะทำใจให้นิ่งให้สงบนี้มันก็มีสองวิธีเช่นใช้คำิกรคมพุทโธพุทโธไปหรือใช้ปัญญาเช่นเวลานั่งแล้วเกิดการจิบของร่างกายขึ้นมาเราก็พิจารณาว่า ความเจ็บนี้เป็นไม่เที่ยงเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้ไปสั่งไม่ได้สั่งให้มันหายเจ็บไม่ได้มันอยู่ที่ร่างกายมันไม่ได้อยู่ที่ใจใจเราไปยุ่งกับมันเองใจเราไปอยากให้มันหายพอ เ, เกิดความอยากหายมันก็เกิดความเครียดขึ้นมาในใจทําให้เรานั่งต่อไปไม่ได้ แต่ถ้าเราหยุดความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปได้ปล่อยวางความเจ็บได้ปล่อยวางเวทนาได้ใจก็จะสงบแล้วก็จะอยู่กับเวทนาได้แล้วใจก็จะมีพลังต่อไปก็จะปล่อยร่างกายได้เวลาร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่เดือดร้อนาแล้วเวลาตอนที่เราบริการไปครับ พอมันเข้าสภาวะจิตมันลึกไปเรื่อยเนี่ยมันจะบริกรรมลำบากขึ้นคือทุกวันนี้ผมใช้วิธีในการเร่งเร่งคำบริกรรมให้มันเร็วขึ้นให้มันไม่มีช่องว่างหรือว่าบางครั้งก็นับเลขคู่ไปด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าการเปลี่ยนคําบริกรรมเปลี่ยนวิธีการบริกรรมเนี่ยมันจะทําให้จิตมันมันยิ่งกระเจิงไปหรือเปล่าครับพระอาจารย์หรือว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วครับคือเราอย่าทําด้วยความอยาก อยาทำให้ได้ความอยากให้มันสงบเราเลยคิดค้นหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะทำให้มันสงบถ้าอย่างนี้แล้วมันจะไม่สงบเราต้องทำแบบเฉยๆจะพุดโธก็พุดโธไปเฉยๆจะนับก็เฉยๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะสงบหรือไม่สงบถ้ามีความวิตกนี่มันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบนั้นก็สำคัญก็คือ อย่าให้ใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราอยู่กับคําบริกรรมแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเองแต่อย่าไปอยากให้มันสงบแล้วคิดค้นหาวิธีว่าจะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เพื่อให้มันสงบเร็วขึ้นอะไรนี้ถ้ามันคิดอย่างนี้แล้วมันเป็นการไปปรุงแต่งแล้วมันจะไม่เป็นไปตามที่เราปรุงแต่งขึ้นมาจิตจะสงบได้ น, นี่เราต้องปล่อย หยุดหยุดการปรุงแต่งหยุดความอยากต่างๆแม้กระทั่งความอยากให้จิตสงบก็ต้องไม่มีในขณะที่เราทําถ้ามีความอยากให้จิตสงบแล้วมันจะเป็นอุปสรรคทันทีเวลาจะสงบเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปอย่าไปคาดเราเดินเหมือนคนเดินหลับตาไปแล้วมันจะตกหลุมตกบอ่อตรงไหนก็ปล่อยมันตกไปอย่าไปคาดว่าตรงข้างหน้ามีหลุมมีบอ่อหรือเปล่าจะตกหรือเปล่าแล้วมันจะเก่งความเกรงของจิตก็จะแสดงว่าเราไม่ปล่อย คือถ้ายิ่งเพลินที่สุดนี้ก็ยิ่งจะดีที่สุดใช่ไหมครับก็ให้มันเป็นกลางๆแบบว่าให้มันรู้เฉยๆให้รู้อยู่กับคําบริกรรมเฉยๆแล้วยรู้อยู่กับลมเฉยๆเท่านั้นเองส่วนผลจะเกิดไม่เกิดนี่ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปสนใจให้รู้อยู่ว่าเราไม่ไปคิดอะไรให้รู้ว่าเราเกาะติดอยู่กับพุโทโธเกาะติดอยู่กับลมหายใจเท่านั้นให้รู้เพียงเท่านี้นก็พอใช่ครับแล้วก็ผมไม่ได้ใช้บริกรรมพุโทโธครับ ดูลมมันก็ได้ดูลมได้เหมือนกันจิตมันตั้งมั่นมันตามลมจิตมันแยกออกมาแล้วมันดูคิดเกิดเวทนามาไม่ต้องเพลิดแล้วล่ะต้องดูลมอย่างเดียวดูลมไปเรื่อยๆดูอพอดูลมไปตามลมไม่ไม่ไมก็ดูก็ดูแค่นั้นแหะอย่าไปดูอย่างอื่นเสร็จปุ๊บมันคิดขึ้นมาปุ๊บก็อย่าคิดกลับมาที่ลมอยู่อยู่กับลมอย่างเดียวดูลมใช่ไหมครับอย่าไปดูอย่างอื่น แล้วพอสักพักหนึ่งมันก็รู้สึกว่ามันผมนั่งอยู่เฉยๆนะจ๊ะก็ดูลมตาไ้แต่อย่าไปอยู่เฉยๆคณอยู่เฉยๆก็แสดงนะคนหยุดภาวนาเลยจิตมันก็จะไม่สงบไปกว่ากว่านั้นเหมือนคุณขับรถแ ล, ล้วคุณปล่อยคันเร่งเมื่อไหร่รถมันก็จะชะลอล ง, งทันทีคุณต้องเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆรถมันถึงจะวิ่งไปเรื่อยๆมันเหมือนเห็นจิตอยู่กัล ม, ม อ, อย่าไปเห็นจิตเห็นลมอย่างเดียว ให้ดูจิตอย่างให้ดูลมอย่างเดียวให้รู้ว่าลมตอนนี้กําลังเข้ากําลังออกหรือเปล่านั่นเองอย่าไปเห็นอย่างอื่นแต่เห็นอย่างอื่แล้วแสดงว่ามันมันมันเสอแล้วมันไม่มันเริ่มไปแล้วเริ่มออกจาก <c oughs> ที่มันที่ตั้งของมัน่ะถ้ามาออกจากที่ตั้งมันก็จะไม่สงบนะให้ดูลมอย่างเดียวถ้าพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวมีอะไรมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจ บาทีมีอาการรู้สึกตัวพองตัวหดคันตรงนั้นคันตรงนี้น้ําลายไหลยอยากจะก ล, นลืน้ําลงน้ําลายหรือนั่งแล้วรู้สึกว่าเองไปทางซ้ายเองไปทางขวานี่ไม่ต้องไปสนใจในชะ่ไหมให้อยู่กับลมอย่างเดียวหรืออยู่กับพุโทโธอย่างเดียว mm hmm. เพราะถ้าไปนี่แสดงว่ามันหยุดแล้วหยุดปล่อยคันเร่งแล้วพอไปสนใจเรื่องอื่นปั๊บนี่แสดงว่าเราปล่อยคันเร่งแมันจะไม่ก้าวหน้าไปกว่าที่เรา อยู่ในขณะนั้นดูลมไปเรื่อยเลยเอา่าดูไปเรื่อยแล้วมันจะวุบลงไปเองถ้ามันไม่มีเรื่องอย่างองื่นมันอยู่กับลมแล้วเดี๋ยวมันก็จะวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบอ่อแล้วก็เย็นสบายมหัศจรรย์ใจนั่นแหะถึงจะรู้ว่าสงบละมันต้องร้องว่าอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้เอง อ, อ๋อสูขอย่างนี้เอง ถ้อยู่กับมันไปก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วของดีได้ของดีแล้วจะไปไหนเนี่ยได้ของดีก็พยายามประครับประคองมันให้อยู่นานๆใช้สติประครับประคองไปให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้จิตเราสงบจิตเราสบายมีความสุขเนาะแค่นี้แค่นี้ก็พอจนกว่ามันจะถอยออกมาถอยมาถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ดูลมใหม่พุโทโธใหม่ ให้มันเข้าไปบ่อยๆเข้าไปนานๆให้มันชำนาญต่อไปต้องการจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้ถึงใช่ถึงค่อยออกไปทางปัญญาถ้าเรายังไม่ชำนาญทางสมาธิเวลาเราไปพิจารณาทางปัญญานี่ถ้ากิเลสมันมั น, ม, นมันมามาหลอกเราเราจิตเราจะฟุ้งขึ้นมาแล้วเราจะหยุดมันไม่ได้ แต่ถ้าเราชำนาญทางสมาธิพอจิตล้วเริ่มฟุง้งล้วก็หยุดมันซะเข้าไปในสมาธิก่อนพักจิตก่อนแสดงว่าปัญญาหมดกำลังแล้วถูกกิเลสมามาแย่งไปแล้วการพิจารณาถ้าเป็นปัญญามันจะสงบมันจะซึง้งมันจะเห็นมันจะปล่อยวางมันจะเย็นจะสบาย แต่ถ้าพิจารณาแล้วเริ่มหงุดหงิดเริ่มนำคาญใจเริ่มมีอารมณ์เสียแสดงว่าไม่ใช่ปัญญาแนละ้ว mm hmm. ก็ต้องหยุดพิจารณา mm hmm. กลับเข้าไปในสมาธิก่อนถ้าถ้ า, ถ, าถ้าไม่มีความชำนาญในสมาธิบางทีกลับเข้าไปไม่ได้ฟ mm hmm. ุ้งไปไลายงั้นต้องก่อนที่จะพิจารณาทางปัญญาควรจะจะฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อน สามารถเข้าได้ทุกเวลานั่งเวลาไหนก็เข้าได้สงบได้ได้ครับแล้วทางเข้าที่ปกติมันจะเหมือนเดิมเกือบทุกครั้งไหมครับคือถ้าชํานาญแล้วบางทีพุโทโธก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วพุทแล้วลมเพียงแต่กำหนดเฉยๆว่าอย่าคิดถ้านั้นมันก็หยุดคิดคถ้ามีสติมีกําลังมากก็คอยคุมความคิดอย่างเดียวคอยหยุดความคิดพอมันจะคิดก็ตัดหัวมันไปพอมันผล่ขึ้นมันก็ตัดมันไปตัดมันไป มันเดียวมันก็สงบได้หรือถ้าขี้เกียจก็ดูลมไปก็ได้พุทโธไปก็ได้ดงนั้นเดียวมันก็สงบครับือที่ผ่านมาตอนแรกนะครับพระอาจารย์เคยปิติหลายครั้งแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะจําไม่ไายว่าก่อนนั้นได้เคยเข้ายัางไงก็จะไปลองวิธีอื่นแล้วก็เข้าปิติอีกแบบหนึ่นงเช่นบางครั้งอยู่ดีก็ร้องไห้เหมือนจะดูหนังเศร้ามาเลยอย่างเนี้ยครับบางครั้งก็ตัวหายไปเลยเหลือแค่ที่ขาเจ็บอะไรอย่างเนี้ยครับแต่ก็ยังบริกรรมได้อยู่นะครับซึ่งผมเคยฟัง พระอาจารย์หลายที่พูดเื่อบอกว่าถ้าเกิดยังพูดโธได้แสดงว่ามันยังไม่ใช่รู้อย่างเดียวมันยังคิดได้อยู่นะครับอืมคราวนี้ก็เลยสงสัยอยู่ว่าอา่ามันควรจะต้องจําทุกครั้งไหมว่าก่อนนี้นเคยเข้าว่ายังไงอะไรอย่างนี้มันก็มีแค่ดูลมแล้วพูดโทนั้นแหละไม่ต้องจำอะไรตรงไหนครับเพียงแต่ว่ามันจะดูได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่เท่านั้นเองถ้ามันต่อเนื่องมันก็เข้าได้ถ้าไม่ต่อเนื่องมันก็เข้าไม่ได้เท่านั้นแหละ ถ้าพูดโทรไปแล้วคิดเรื่องนั้นสลับกันไปสลับกันมามันก็เข้าไม่ได้แต่ถ้าพูดโทรอย่างเดียวไม่มีเรื่องเข้ามาสลับมันก็เข้าได้เหมือนกันดูลมก็เหมือนกันถ้าไม่มีความคิดเข้ามาแทรกไม่มาสลับเดี๋ยวมันก็เข้าได้ที่มันเข้าไม่ได้บางทีเราไม่อยู่กับลมไม่อยู่กับพูดโทอย่างต่อเนื่องเพราะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกครับมันก็เลยเหมือนกับเหมือนกัเราจะเอาได้เข้ารูเข็ม คนอื่นเอามือมาผักมือเราให้ไปทางซ้ายไปทางขวามันก็เข้าไม่ได้นะใจไม่นิ่งมันเข้าไม่ได้ยังขอให้มันอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าให้มันมีเรื่องเข้ามาแทรกอยู่กับลมไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็เข้าได้มันจะเข้าได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เราฝึกไว้ก่อนที่เราจะมานั่งทั้งวันก็พุโทโธไปเรื่องเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปแล้วมันจะได้นิ่งมันจะได้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตไม่ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเวลานั่งมันก็จะอยู่กับนมได้อยู่กับพุโทโธได้ <S <S แล้วนคะิดว่าช่วงแรกนี้ก็เวลาพอสมควรจะให้ญาติให้พรเพรานั่งมานานนะแล้วก็จะให้พรกันใครยังไม่ได้หนังสือซีดีก็หยิบได้นะใครอยากจะอยู่ถามคำถามต่อค้ังต่อก็ยังอยู่ได้ เดี๋ยวจะอยู่ถึงสี่โมงขออนุญาตตัดช่วงสองเลยนะครับเห็นชัดเจนมากครับอ่เนี่ยตอนนี้ก็ใส่กรลังไทยคนดูประมาณสี่สี่อ่สอ4าี่ร้อยกว่าสี่4้อสี่สิอิอันนี้เป็นระดับต่อไปก็คงจะมากขึ้นถ้าคนรู้จักมากขึ้นกาลังจะไปเปิดอีกช่องหนึ่งจะใช่ช่อง YouTube อยู่ มีหลายคนเชพอาจารย์ที่ไม่มีเฟ e บุ๊กอาจารย์เข้ายู u b e ใช่ครับก็ youtube จะก็จะไปแปะไว้หน้าพัสุชาติ .com ได้เลยครับเข้าไปก็เห็นได้เลยครับเ YouTube ก็ดีอย่างจอกว้างกว่านใชเครับเต็มจอเลยอยากจะถวายอะไรไม่เอาเล่ามาถวายนะ เอาไ ว, ว้ก็วานสามีซื้อเตียบไปให้หนูไม่กล้าดื่ม <c oughs> อ่าสาธุอารมณ์โหมดนานนะ <c oughs> จะนูกว่าพานกลับไปเลยนะ <c oughs> อนนั่นงเนี้ะ มันคนเดียวอ่ะเดี<ะ>๋ยวช่วงต่อไปก็จะเปิดโอกาสให้ทางบ้านที่เขารอถามคําถามได้ถามเข้ามาแต่ทางนี้ถ้าใครยังอยากจะถามอยู่ก็ได้เดี๋ยวรอสักพักเดี<ะ>เดี๋ยวแบ่งให้ทางบ้านเขาหน่อยครับต<ะ>ั้งไว้ตรงนันถ้าจองครับถ้าเราอ่านคุยข้างมาหรือว่าฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเนี่ยค่ะเราได้บุญไหมคะ ก็เป็นวิธีทำใจให้สงบในเบื้องต้นได้อยู่บางคนนั่งสมาธิไม่ได้ก็ใช้ฟังเทศฟังธรรมแทนนั่งหลับตาแล้วก็เปิดเทศฟังไปก็เหมือนนั่งสมาธิไปแล้วต่อไปจะมีสติมากขึ้นก็จะสามารถนั่งได้โดยที่ไม่ต้องฟังเทศเช่นบางทีเราฟังเทศเสร็จแล้วก็ดูลมต่อไปได้เลยตอนต้นบางทีเราต้องใช้การฟังเทศเป็นการสร้างสติขึ้นมาก่อน ทางที่ดีควรจะมันฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งฝึกให้มันเป็นนิสัยให้ใจเรามีอยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้มันลอยไปอดีตไปอนาคตเช่นผูกไว้กับร่างกายก็ได้คอยเฝ้าดูการกระทําของร่างกายในทุกิริยาบทหรือจะใช้คําพุโทโธหนึ่งเอาไว้บ้างก็ได้สลับกันไปอย่าให้ปล่อยไปคิดลยุยเปื่อยแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะมีสติ ที่จะทําให้ใจนั่งได้และสงบได้ถ้าไม่สงบก็บางคนก็ใช้การสวดมนต์ไปใ น, ในใจก่อนก็ได้หรือจะเปิดเทศต์ฟังไปก็ได้มันก็จะเป็นการฝึกสติฝึกนั่งสมาธิไปในเบื้องต้นก่อนผลสุดท้ายที่เราต้องการก็คือต้องการใช้ใช้การดูรวมหรือใช้การพุดโธอย่างเดียวไม่ต้องใช้อย่อยางอื่นเพราะว่ามันจะสงบได้เต็มที่ ถ้าต้องการให้สงบเต็มที่ต้องใช้พุทโทอย่างเดียวแล้วดูลมอย่างเดียวแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็ใช้สวดมนต์ไปก่อนฟังเทศไปก่อนอมีอะไรอย่างคำถาม ม, มีแล้วครับพระอาจารย์ครับคําถามนะครับคําคถามแรกนะครับคําถามแรกจากคุณโสภิตนะครับ เมื่อเชาวนั่งภาวนาไม่ค่อยนิ่งเลยตั้งใจใหม่คือค้นหาตัวเองตั้งแต่บนหัวขยับมาเรื่อยๆจนถึงปลายเท้ากลับไปกลับมาหลายรอบจนใจรู้สึกเหนื่อยเลยหยุดนั่งเฉยๆดูลมหายใจต่อเรียกว่าเป็นอุบายบังคับใจวิธีนี้ใช้ได้ไหมคะได้บางทีใจมันใจมันมีกําลังมากมันชอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มันมาคิดในเรื่องที่เป็นปัญญาเป็นเรื่องอารมณ์ของความสงบเช่นให้ดูอาการ32สองก็ได้ ให้พิจารณาผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอี้อในกระดูกมา้าหัวใจตับทังผือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยท่องไปอาการสามสิสองท่องไปแล้วก็ท่องถอยหลังกลับมาเวลาท่องถอยหลังนี่มันต้องมีสติมากมันจะท่องได้ต้องกลับไปกลับมาสักพักมันก็จะนิ่งมันก็จะดูลมได้จะพุทโธได้อย่างเดียวบางทีไม่อาว่าไปค คำถามจากคุณพาวีนะครับอยากทราบถึงความหมายของการติดสมาธิติดธรรมารมและวิธีในการแก้ไขค่ะคือคนจะติดสมาธิได้ต้องมีสมาธิก่อนได้ไหมถ้ายังไม่มีสมาธินี้ยังไม่ถือว่าติดสมาธิต้องนั่งสมาธิให้เยอะๆคนที่ยังไม่มีสมาธินี้นั่งสมาธิเยอะๆไม่เรียกว่าติดสมาธิเรียกว่าเป็นการสร้างสมาธิ แต่พอชำนาญแล้วเข้าออกสมาธิได้แล้วแล้วไม่ทําอย่างไม่ออกไปทางปัญญานนั้นที่เรียกว่าติดสมาธิพอชำนาญแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลา <rias. S 2> เวลาออกจากสมาธิมาต้องพิจารณาทางปัญญาเอาพิจารณาตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นรากยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเรานี้ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายลัก หรือถ้าเรารักคนไหนชอบคนไหนก็ต้องพิจารณาสุภาพของเขาอันนี้ต้องทำหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วพอจิตเริ่มฟุ้งก็หยุดพิจารณาแล้วกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ทำสลับกันไปถึงจะเรียกว่าไม่ติดสมาธิแล้วก็ไม่ติดปัญญาถ้าออกมาทาออกจากสมาธิแล้วพิจารณาอย่างเดียวไม่กลับเข้าไปในสมาธิเลยก็ติดปัญญาติดสังขารติดความคิดปรุงแต่งแล้วมันจะไม่มีกาลังที่จะ ตัดกิเลสได้เพราะว่ามันฟุ้งแต่มันคิดว่าเป็นปัญญาแต่มันฟุ้งถ้ามันเป็นปัญญามันสงบมันจะตัดตันหาความอยากได้ถ้ามันตัดไม่ได้มันฟุ้งก็แสดงว่ามันไม่มีมันไม่ไม่เป็นปัญญาแล้วต้องกลับเข้าไปทำใจให้สงบใหม่อย่างนี้ถึงเรียกว่าไม่ติดทั้งปัญญาไม่ติดทั้งสมาธิต้องสลับกันไปทางาน เพราะว่าทํางานเวลาไม่ใช่ร่างกายเวลาเราทํางานเสร็จเราก็ต้องกลับมาบ้านพักผ่อนกินข้าวหลับนอนอาบน้ําอาบท่าพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ออกไปทํางานต่อได้ถ้าเราทํางาน24ชั่วโมงเราจะรู้สึกยังไงหมดเรี่ยวหมดแรงไม่สามารถทํางานให้เกิดเป็นผลขึ้นมาได้ทัในใดการพิจารณาทางปัญญาก็ต้องพักเพื่อที่จะมาเสริมกําลังของความสงบ เราต้องการใช้ความสงบนี่มาดับความอยากต่างๆเพียงแต่ใช้ปัญญาเป็นตัวสอนใจให้รู้ว่าการไปทำตามความอยากนี่เป็นโทษเป็นทุกข์นัต้องนี่เรียกว่าเป็นการการติดสมาธิหรือไม่ติดสมาธิขั้นต้นนั่งสมาธิบ่อยๆ1ิปีแรกนี้ปฏิบัติแต่สมาธิอย่างเดียวนีไม่ถือว่าติดสมาธิถ้ายังไม่มีความชานาญในการเข้าออกสมาธิยังไม่มีสมาธิ แต่ถ้าได้สมาธิแล้วชำนาญแล้วนั่งทีไรก็สงบแล้วออกมาก็ไม่พิจารณาปล่อยใจไปคิดด้วยเปื่อยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้หรือไม่เช่นนั้นก็ามาคอยพุทโธพุทโธคอยควบคุมใจรักษาแต่สมาธิอย่างเดียวอันนี้ก็เรียกว่าติดสมาธิแล้วถ้าชำนาญทางสมาธิแล้วพอออกมาต้องพิจารณาตายรักแล้วพิจารณาในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นตายลัก พิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตายรักพิจารณาธรรมอารมณ์เป็นตายรั ก, รรมรม ต, กต้องพิจารณาทุกอย่างเป็นตายรักหมดเพราะทุกอย่างนี้มันไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดแล้วเวลามันเสื่อมมันหมดไปก็จะทุกข์ขึ้นมาเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการดับความทุกข์ในทุกรูปแบบเราก็ต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปยึดไปติดว่ามันเป็นทุกข์หมด เราไม่มีอย่างเดียวที่ไม่ทุกข์ก็คือความว่างเราต้องการอยู่กับความว่างความว่างเนี้นิบบานังบาลังสุญญังนิพพานก็คือความว่างอันนี้แหละไม่มีตัวนี้ไม่ไม่ใช่อานิจจังทุกขังอนัตตามันว่างตลอดเวลาไม่มีวันมันไม่เป็นอานิจจังมันไม่เป็นอนัตตา ม, มันว่างมันสงบมันสบาย ต้องเข้าให้ให้อยู่กับตัวนั้นแล้วปล่อยทุกอย่างาว่ามาจากคุณธนุธรรมนะครับบิดาอายุแปดสิบอยากให้บิดาทำสมาธิจะมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะบอกท่านครับได้แต่บอกให้ท่านภาวนาพุโทโธ<อ>แต่ท่านก็เฉยเฉยเราทำก่อนเถอะเราค่อยไปสอนคนอื่นเราสอนตัวเราให้ได้ก่อนเถอะตัวเองยังสอนตัวเองไม่ได้เราไปสอนคนอื่นได้ไงใจของเราเรายังบังคับไม่ได้เราจะไปบังจับ ใจของคนอื่นได้ยังไงอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นเลยเนะี่ยเรื่องของเราทําไม่ได้ก่อนถ้าเราทําได้แล้วเดี๋ยวเขาเห็นเราทําได้เขาก็จะมาศึกษากับเราเองเขาก็อยากจะทําตามเราแต่เรายังทําไม่ได้ไปบอ่อยก็ทําแล้วมึงอะ่ะออพอจะนั่งดูทีวีว่าพ่อไปนั่งนั่งสมาธิดีกว่าแล้วมึงอะ่ะ <c oughs> มึงทําไม่นั่งอะ <c oughs> คนเราชอบหวังดีกับคนอื่นแต่ไม่ชอบหวังดีกับตัวเองบอกคนอื่นให้อยา ก, กินเหล้านะแต่กูจะนั่งกินอยู่อย่างนั้นเนี่ยคําถามจากคุณมัปางนะครับเวลานั่งสมาธิลมมาติดที่หน้าอกตลอดเวลาที่นั่งคล้ายกับเป็นกดไหลย้อนตลอดคะ่ะไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะเป็นทุกครั้งที่นั่งสมาธิเวลาไม่นั่งไม่เป็นก็สแสดงว่ามันเป็นกิเลสก็ไม่ต้องไปสนใจมัน มันจะรู้สึกเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจอยู่กับพูดโธไปแต่ถ้ามันนั่งแล้วไม่นั่งมันก็เป็นก็แสดงว่าเป็นปัญหาที่ทางร่างกาย<ม>ก็ต้องไปหาหมอไปปรึกษากับหมอดูคําถามจะคุณน้องนะครับมีความสงสัยว่าถ้าคนศาสนาอื่นเขาจะมีตกนรกไหมคะคือใจนี้มันไม่มีศาสนาเข้าใจอปล่ามันก็ร่างกายของคนเรามีศาสนาเป่ะเวลาไม่สบายไปหาหมอ หมอศาสนาไหนเขาก็รักษาเหมือนกันใช่ไหมใจก็เหมือนกับร่างกายมันไม่มีศาสนาแล้วมันมีกิเลสเหมือนกันมีบาปมีบุญเหมือนกันทําบุญก็เป็นสวรรค์ทําบาปก็เป็นนรกเหมือนกันบาปก็คือทุกข์ใจบุญก็คือสุขใจเหมือนกันคําถามจะคุณนานะครับบนสวรรค์สามารถทําสมาธิทําบุญวิปัสสนาได้ไหมเจ้าคะสามารถบรรลุพระอริยบุคคลบนสวรรค์ได้หรือไม่ สวรรคน์นี้ส ko ่วนใหญ่คนขึ้นสวรรค์นี่ก็เมืคนไปท่องเที่ยวอ่ะเวลาคนไปเที่ยวก็จะไปนั่งสมาธิกันหรือเปล่าเขาก็จะไปเที่ยวกันใช่ไหมแต่คนบางคนเนี่ยเขามีจิตใจใฝ่บุญเขาชอบนั่งสมาธิด้วยเขาชอบฟังธรรมด้วยตรงนี้ถ้าไปเที่ยวแล้วไปพบมีวัดมีอาจารย์เขาอาจจะแวะไปตามวัดเพื่อจะไปฟังเทศฟังธรรมไปนั่งสมาธิก็ได้ฉันใดพวกเทวดานี้ถ้า ชอบธรรมะบางทีมีพระพุทธเจ้ามีพระอาจารย์มาแสดงธรรมเขาก็จะไปฟังกันแล้วเขาก็อาจจะบรรลุธรรมได้เช่นแม่ของพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระโส ด, ดามันได้จากการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าคําถามข้อต่อไปจากคุณนัทโมนะครับหากตั้งใจออกจากกามโดยถือศีลห้าและเปลี่ยนศีลข้อสามเป็นข้ออภปมจริยาจิตใจเหมือนไม่มีการมราคะอยู่ แต่หากพิจารณาทดสอบตามที่พระอาจารย์สอนยังมีอาการวูบของจิตให้เห็นอยู่และนานๆาครั้งจะฝันในเชิงต่อสู้กับกามลาคะในฝันมีสติรู้ว่าต้องรีบเจริญอสุภะจิตใจค่อยๆจเจริญอสุภะอย่างช้าๆบางครั้งได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลต้องรีบลุกขึ้นคําถามข้อที่หนึ่งขอกลับเรียนถามว่าหากลูกไม่สามารถปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปกว่านี้ได้จะมีโอกาสพ้นจากกามหรือพ้นจาก กามาพกได้ไหรือไม่เจ้าคะไม่ได้เรา ก, ก็ต้องใช้อสุภานี่แหละทำลายการมาราคาให้หมดไปถ้าการมาราคามันยังเร็วกว่าอสุภะมันก็ยังไม่ตายแต่ถ้าอสุภะมันเร็วกว่ามันทันการมาราคะการมาราคามันก็จะตายอย่างั้นก็ต้องมันพิจารณาอสุภาให้มากๆให้บ่อยๆ จนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเราเป็นเหมือนอาวุธคู่ใจเราพอการมาราคะผล่ขึ้นมาก็มีดอาวุธนี้ทิ่มแทงมันได้เลยทำลายมันได้เลยถ้าต้องมานึกต้องมาโอ้ยคิดอย่างนี้มันก็มันก็แสดงว่ามันยังไม่ทันข้อที่สองอานิสงส์ของการพยายามละพยายามงดเว้นด้วยการถือศีลข้ออภปมจริยาโดยไม่มีปัญญาตัดขาดเป็นอย่างไรเจ้าคะ มันจะทำให้เราได้มีเวลามาเจริญสติมาเดินจงกรมนั่งสมาธินั่นเองถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะไปทํากิจกรรมทางร่างกายได้ไปนอนหลับกับแฟนไปกินอาหารขําไปงานเลี้ยงไปไปแหล่งบันเทิงไปท่องเที่ยวไปอะไรต่างๆมันก็จะไม่มีเวลามาอยู่วัดมานั่งสมาธิกันงนั้นการถือศีลแปดนี้เป็นเหมือนกับเป็นการสร้างมาตรการ สร้างรั้วไม่ให้ใจมันออกไปเพ่นพ่านข้างนอกให้มันอยู่ที่ข้างในเพื่อที่เราจะได้ดึงมันเข้าสู่ความสงบได้ง่ายถ้าเราไม่รักษาสี้นปดเดี๋ยวเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวคนนั้นมาชวนไปกินเลี้ยงตอนเย็นก็ไปแล้วแต่ถ้าเราถือสิ้นแปดแล้วก็ไปไม่ได้แานมาขอร้องว่าเดี๋ยวคนนี้ไปนอนด้วยกันหน่อยบอกไม่ได้แล้ววันนี้ถือสิ้นแปด มันก็จะมีเวลามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมกันการวิศีนี่เพื่อจะได้กาจัดกิจกรรมทางร่างกายที่จะมาแย่งเวลาของการภาวนาไปคำถามจากคุณลิซ่านะครับขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยอธิบายสักคู่ที่พระอาจารย์กล่าวถึงการพิจารณาอาการสาสิบสองขณะท่องผมขนเล็บฟันหนังต้องนึกตามเพื่อเห็นภาพอวัยวะ ต่างๆด้วยหรือไมค่ครับในเบื้องต้นก็ท่องชื่อมันเลยก่อนให้มันชนานาญก่อนสามารถไปทั้งอนุโลมปฏิโลมได้ท่องไปเข้าไปข้างในเข้าแล้วก็ถอยออกมาย้อนออกมาถอยหลังกลับมาท่องถอยหลังท่องเนินหน้าแล้วขั้นต่อไปก็นึกถึงภาพแต่ละอาการผมอยู่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนมีอาการอย่างไรก็นึกภาพไปจนกระทั่ง ต่อไปก็แยกมันออกมาเป็นกองๆเลยก็ได้แยกร่างกายแยกผมไว้กองหนึ่งขนไว้กองหนึ่งเล็บไว้กองหนึ่งฟันหนังไว้แยกออกมาเหมือนเราแยกชิ้นส่วนรถยนต์อย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้ทําลายภาพของการมีตัวตนไงเวลามันมารวมกันเป็นรูปเป็นร่างเราก็ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราพอเราแยกออกมาแล้วเราไล่จี้ดู แ, แต่อาการเลยว่าอันนี้เป็นตัวเราเหรือผมนี่เป็นเราเหรือขนนี่เป็นเราเหรือ เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เป็นเราเลยเวลาเราโกนผมทิ้งไปหมดแล้วมันเรายังหายเรายังอยู่หรือเราหายไปกับผมถ้าเราเป็นผมเราก็ต้องหายไปกับมันใน่ไหแต่ผมหายไปเราก็ยังอยู่ขนถอนไปหมดมันก็ยังอยู่เวลาเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับของคนอื่นเข้ามาเปลี่ยนตายเราก็ยังอยู่ต่คนอื่นมันไม่ได้มาเข้ามาอยู่แทนเราใช่ไหม เราเอาหัวใจคนอื่นมาใส่หัวใจแทนหัวใจเราเอาตับเอาไตาของคนอื่นมาใส่เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็แสดงว่าเราไม่ได้เป็นมันมันก็เป็นเพียงแต่อาการที่มันมารวมตัวกันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเราก็ไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเวลามันตายไปมันก็กลายเป็นอะไรมามันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟมันมาจากอะไรมันก็มาจากดินน้ำลมไฟ ลมที่เราหายใจอยู่ทุกขณะ น, นี่มันเข้าไปทําไมมันก็เข้าไปเพื่อจะได้มาสร้างอาการสามสิบสองนี้เนี่ยผมขอเล่นฟันถ้าไม่มีดินน้ําลมไฟมันโผล่ขึ้นมาได้ไหมเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ถ้าไม่มีดินไม่มีอากาศไม่มีน้ําไม่มีความร้อนมันโตได้ไหมมันก็ต้องมีดินน้ําลมไฟมันถึงจะโตได้ร่างกายก็เหมือนต้นไม้ดีๆนี่แล้วเราเป็นคนที่จะมา อาศัยมันอยู่ด้วยมาใช้มันมาสั่งให้มันทําอะไรต่างๆแล้วเราก็ไปคิดว่าเราเป็นมันเพราะเราไม่มีรูปร่างถ้าไม่มีคนมาบอกคือพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ไม่รู้เหมือนสมัยก่อนเราก็คิดว่าโลกนี้มันแบนใช่ไหมถ้าไม่มีคนมาบอกว่าโลกนี้มันกลมเราจะไปรู้ไม่มีใครรู้หรอกก็จะคิดว่ามันแบนอย่างนีต้องมีคนฉลาดสักคนหนึ่งที่เห็นว่ามันไม่แบนมันมันกลม พระพุทธเจ้าวชระท่านเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราอย่าไปทุกข์กับมันมันตายเราไม่ได้ตายไยกับมันมันแก่มันเจ็บมันเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับมันแต่ความหนงนี้ทําให้เราไปทุกข์กับมันเพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายใช่ไหมคําถามข้อต่อไปขอรวมกันระหว่างคําถามคุณสิทธิพงษ์และคุณจามจุรีนะครับเนื่องจากใกล้เคียงนะครับบางทีกายมันใหญ่บางทีกายมันเล็กมากๆ บางทีเหมือนลมหายใจแทบไม่มีอะไรแก้แบบไหนครับไม่ต้องแก้หรอกมันจะใหญ่ยันได้ ก, ก็เรื่องของมันเราให้เรารู้เฉยๆไปเท่านั้นเองเราต้องการดูให้มันรู้ว่ามันเป็นตายรักเท่านั้นเองดูร่างกายเพื่อให้มันเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงอาการ32เป็นดินน้ำนุ่ไฟเวลาร่างกายตายไปนี้คนที่ครอบครองอยู่ก็ตายไปกับร่างกาย เป็นพ่อแม่ร่างกายของพ่อแม่ตายไปพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายสามีภรรยาบุตรธิดาเวลาร่างกายเขาตายไปเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขาก็ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ไปหาร่างกายใหม่เท่านั้นเองและคุณจามจุลีสงสัยว่าพอหลับตาเห็นแสงสว่างเป็นเพราะอะไรค ะ, ะเห็นก็เห็นเลมึงเห็นก็เห็นไปแต่จะต้องรู้ทำไมต้องเป็นเพราะอะไรด้วยอยู่ที่ว่าเห็นแล้วไปทำอะไรกับมัน ถ้าไปยึดไปติดไปหลงกับมันก็บ้าถ้าเห็นแล้วปล่อยวางก็ฉลาดรู้ว่ามันไม่เที่ยงถ้าไปยึดติดก็จะทำให้ทุกข์เวลามันหายไปอย่าไปยึดอย่าไปติดเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นรู้ว่ามันต้องไม่มันต้องดับเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปอย่าไปยึดไปติดเห็นอะไรก็อย่าไปยึดอย่าไปติดไม่ต้องไปรู้ว่ามันาจากไหนหรอกรู้ไปทาไมใช่ไหม คำถามข้อต่อไปจากคุณมิเชลเบิร์ตเป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจารย์จะพยายามอ่านนะครับ I have start following the rising and lowering of my stomach when meditating instead of following the words put to put to is that okay it seems to keep me more focused this way okay you can use any object that can concentrate your mind That prevent your mind from thinking about other things. You can use the watch. Watch. You can watch the rising and falling of the stomach. In Thai we call yu n o pong n o Or if you like, you can watch your breath. Your breath at the tip of your nose. Your e You breathing in, breathing out. Just be aware of the breathing. You can be aware of the stomach rising and falling. As long as you. Don't go and think about other things. That's the purpose of watching, to stop you from thinking about other things. Because if you don't think, then your mind will become peaceful and calm. But if you think, your mind will become restless and agitated. คาถามข้อต่อไปจะคุณนรงเดชนะครับอุบาสกอุบาสิกาที่ไม่ได้บวชสามารถปฏิบัติธรรมกรรมฐานวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่ ยากนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลามากแล้วคาราวานี่ไม่มีเวลามากพอคาราวาถ้าเปรียบเทียบเป็นนักกีฬาก็เป็นแบบมือสมัครเล่นก็จะมีเวลาเฉพาะช่วงวันหยุดก็จะไปซ้อมกีฬาไปเล่นกีฬาได้เฉพาะวันหยุดแต่นักกีฬามืออาชีพนี้เขาซ้อมทุกวันเห็นเวลาก็ไปแข่งขันกันนี่มืออาชีพมันเหนือกว่ามือสมัครเล่น ฉะนั้นเมื่อสมัครน่นนี้จะไปชิงแชมป์นี่ยากจะไปชิงเหรียญทองกับเขานียากอันใดการที่จะบรรลุมรคผลนิพภานนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปชิงเหรียญเหรียญทองกันฉะนั้นคนที่จะได้เหรียญทองในส่วนใหญ่จะเป็นมืออาชีพทั้งนั้นดูพระทั้งหลายที่ท่านบรรลุนี่จะเป็นพระแล้วเป็นพระปฏิบัติ ด, ด้วยไม่ใช่เป็นพระที่ทําภารกิจอย่างอื่น ถ้าเป็นพระบุญบางสังส่วนนี้ก็ไม่มีวันที่จะบรรลุได้ต้องเป็นพระกรรมฐานพระทุดงกรรมฐานทุดงก็คือทุดทุดงขวัตเช่นฉันในบาทฉันมือเดียวบิดตะบาดเป็นวัดอยู่อยู่ป่าเป็นวัดนี่เรียกว่าทุดงขวัตกรรมฐานก็คือพุทโธหรืออาการสาสองอสุภะนี่เรียกว่ากรรมฐานพระที่จะบรรลุมรรคผลที่ผ่านนี่ต้องเป็นพระทุดงกรรมฐาน พระที่เป็นพระบุญบางสังสว่วนนี่ไม่มีวันที่จะบรรลุได้อยู่ในเมืองไม่มีทางที่จะสำเร็จเลยครับพระอาจารย์ถ้าอยู่กับบุญบางสังส่วนก็ไม่ไม่มีวันสำเร็จไม่แต่สมมติว่าอยู่ในเมืองแต่ว่าทำตัวเหมือนไม่ได้อยู่ในป่านี่ครับมีสิทธิ์หมครับอาจารย์ก็น่าจะมีสิทธิ์บ้างเห็นบอก ม, มีเจ้าคุณ น, นอนไม่ใช่ใชท่านอยู่ในแต่ท่านก็ปฏิบัติมันอยู่ในป่าท่านนอนในโรง มีลงศพคอยเตือนสติ น, นี่ก็เป็นมอนานุสติท่านก็ไม่ไปทำเรื่องบุญบางสังสว่วนท่านก็จะมีแต่กรรมฐานนั่งสมาธิทาใจให้สงบพิจารณาทางปัญญาแต่มันยากเนี่ยมันน้อยเพราะว่ามันอยู่ในวงแวดล้อมที่คนเขาไม่ทำกันอพอตัวเองทำแล้วตัวเองก็รายกายเป็นคนเพี้ยนไปคำถามจ้าคุณพร ฐานานะครับตามที่พระอาจารย์แนะนําให้บวชหนูอยากบวชค่ะแต่ผู้หญิงบวชไม่ได้รบ ก, กวนพระอาจารย์แนะนําด้วยค่ะได้ก็บวชสิบแปดไงสิบแปดนี่นนก็ถือว่าบวชแล้วแล้<ม>จะกนหัวก็ได้ไม่กนหัวก็ได้<ม>แล้วก็ไปหาวัดที่สงบอยู่อหรือถ้าไม่มีวัดมีบ้านของตนเองมีอะไรที่มันไม่มีอะไรมารบกวนการปฏิบัติก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่ง แต่มันมันสู้ไปอยู่ป่าอยู่เขาไม่ได้เพราะบรรยากาศมันเอื้อกว่ามันมันมีอะไรท้าทายกิเลสตัณหาเราถ้าเราอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองนี่มันที่มันปลอดภัยมันก็จะทาให้เราไม่มีความหวาดกลัวเราต้องการสร้างความหวาดกลัวเพื่อที่เราจะได้ใช้ปัญญามาดับความหวาดกลัวนั้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นมาเราก็เร า, า จ, จะหลงคิดว่าเราบรรลุแล้วก็ได้ พอเห็นนี่ว่าใจสงบใจนิ่งแต่ความจริงมันยังไม่มีอะไรมันกระตุ้นกิเลสตัวลึกๆตัวหยับตัวที่มันละเอียดอยู่ข้างในบางทีต้องไปหาสถานที่ปลุกกิเลสปลุกขึ้นมาไปหางูหาเสือไปหาผีอย่างเงี้ยแล้วดูว่ายังนิ่งยังสบายได้หรือเปล่าพระอาจารย์มีประสบการณ์พระอาจารย์ที่จะแบบให้กำลังใจลูกศิษย์หน่อยไหมครับว่าอย่างพระอาจารย์เนี้ย ตอนแรกก็นึกว่านั่นแล้วแต่พอไปเจอของจริงในป่านี่เจอเสือเจออะไรอย่างนี้อาจารย์มันก็ไปต้องไปทำมันกนอนเองแหละ <c oughs> พูดไปสิปากว่าก็ไม่เท่าหนึ่งตาเห็น <c oughs> ใช่ไหมก็บอกแล้วให้ไปทำทำแล้วมันก็จะได้เจอเอง เราไม่ก็อยากจะพูดเรื่องของเรามากกันเดียวกลายเป็นยกขางตัวเองเรื่ <c oughs> อย <c oughs> ๆหาเล่นตัวตัวแล้วคนฟังบางคนก็หมั่นไส้บางคนก็นนกชื่นชมยินดีเขบาบอกภาวนาแต่ในวัดเหมือนกินข้าวแต่ไม่มีกลับใช่ไหมครับแต่ไันได้เข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกินแตงกวากิน <c oughs> แบคบทีเรียครับก็อย่างงั้นแหละมันยังไม่ได้ครบรสชาติเนะีแบบ่ยการเหมือนกับการชคกระสอบทรายกับขึ้นเวทีนี่มันไม่เหมือนกันอะเวลาเราชกกระสอบทรายแล้วก็คิดว่าเราเก่งอะ ใส่มันได้ทุกรูปแบบแต่พอไปขึ้นไปเจอของจริงคู่ต่อสู้จริงนี่เขามามันไม่เหมือนกระสอบทายเราจะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่ามันต้องมีสถานที่ที่จะทดสอบจิตใจทดสอบอารมณ์การมาทดสอบอารมณ์กับอ า, อาจารย์นี่มันทดสอบไม่ได้มาก เ, mm hmm. เท่ากับสถานที่รอ อ, อาจารย์สัญญาจะรับฟังผลการปฏิบัติและวก ะ, ะว่าควรจะทาอะไรต่อ แล้วถ้าจะทดสอบ่ารมณ์ก็เวลาเผลอก็อาจจะเหยียบหางบ้างดูสิว่าจะโกรธไหม <c oughs> ว่ามาคำถามจากคุณมานุนะครับแล้วคนที่ติดดีหลงดีคิดว่าเราปฏิบัติดีแล้วเป็นเพราะความที่เราหลงตัวเองใช่ไหมครับแล้วมีอุบายไหนสอนตัวเองครับคือติดดีมันไม่เสียหายหรอกถ้ามันดีเราก็ทำไปเรื่อยๆ สิ่งไหนที่ดีเช่นทาบุญดีทำไปการติดทาบุญนี่มันไม่เสียหายอะไรเพียงแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราไม่ก้าวหน้าไปเพราะมันความดีมันมีหลายระดับเท่านั้นเองการทาบุญก็เป็นความดีระดับหนึ่งระดับที่สองก็คือการรักษาศีลระดับที่สามก็คือการภาวนาเงนั้นเราก็ต้องทำให้มันครบทั้งสามระดับทาบุญแล้วเราก็บรักษาศีลรักษาศีลแล้วเราก็ภาวนา ถึงจะเรียกว่าได้ทําเป็นที่พอเราได้รับผลแล้วเราก็จะทําดีต่อไปแล้วไม่ทําดีก็ได้ละเพราะว่าการทําความดีนี้เป็นเหมือนขั้นบันไดาพาให้เราหลุดพ้นจากความยึดติดกับแตทุกสิ่งทุกอย่างพอถึงหลุดพ้นแล้วแม้แต่ความดีก็ไม่ยึดติดแต่ก็ไม่ทิ้งหมายความว่าถ้ามีโอกาสทําได้ก็ทําอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านจะจะสอนก็ได้ไม่สอนก็ได้ แต่เมื่อท่านยังมีโอกาสแล้วสอนแล้วทําให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ท่านก็สอนแต่ท่านไม่ได้รับประโยชน์จากการสอนการทำความดีของท่านนี้ไม่สามารถทําให้สิ่งที่ท่านได้รับนั้นมีมากกว่าที่ท่านจะรับได้เหมือนน้ําที่เราเตไปเต็มแก้วแล้วเนี่ยเตะน้ําเต็มแก้วแล้วเราจะเทเข้าไปเท่าไหร่มันก็ได้เท่าเดิมความดีนี้เมื่อมันถึงตัวเมื่อมันถึงจุดอิมตัวแล้ว จะทำมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่ได้มากไปกว่า น, นั้นแต่ก็ทำไปเพื่อผู้อื่นทิวเจ้าทำความดีสั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังของสัตว์โลกแต่ประโยชน์ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้แล้วเต็มแล้วทำมากเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น คำถามจากคุณอาลีนะครับาการพิจารณาอ น, นิจจังนี่คือสมาธิมันพาเข้าไปให้มันไปพิจารณาหรือเราต้องเรียกสิ่งมาพิจารณาให้เห็นอ น, นิจจังใชครับอ น, นิจจังก็คือการใช้ความคิดเนี่ยเหมือนกับเราคิดเลขเนี่ยเราจะรู้ว่า2อบวกสเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องรู้หลักของการบวกลบคูณหารเราจะเห็นอ น, นิจจังเราก็ต้องพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราพิจารณา เป็นร่างกายนี้มันเหมือนเดิมตลอดเวลาหรือเปล่าลองดูภาพถ่ายวันนี้กับภาพถ่ายเมื่อสิบปีที่แล้วดูสิว่าเหมือนกันหรือเปล่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่ามันเปลี่ยนไปแต่ถ้าเรามองทุกวันนี่มันจะมองไม่เห็นเพราะมันเปลี่ยนแปลงช้าบางอย่างของบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงช้าเนื้อสาราหลังนี้มันก็เปลี่ยนแปลงช้าแต่มันก็เก่าลงไปเรื่อยๆไม้มันก็ผุ เหล็กมันก็สังกสีขึ้นอะไรของไปมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามเรื่องของมันทุกอย่างมันไม่เที่ยงทั้งมันมันมีการเสื่อมพอมีการเจริญแล้วมันก็จะเริ่มมีการเสื่อมขึ้นมาเราต้องเห็นทุกอย่างว่ามันเป็นอย่างนั้นมีเกิดแล้วมีดับมีเจริญแล้วมีเสื่อมเพื่อเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดจะได้ไม่ไปอยากให้มันไม่เสื่อมเพราะเวลามันเสื่อมแล้วเราไปอยากให้มันไม่เสื่อมแล้วก็จะทุกข์ เป็นร่างการนี้เราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายมันก็จะทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเราเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเรายอมรับความจริงเราก็ไม่ไปฝืนแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันใกล้แล้วนะไหมครับหรือเป็นแค่กุศโลบายในทางธรรมก็มีไงความสุขมันมีหลายระดับไงโรงแรมนี่ยังมีหลายระดับเลยใช่ไหม หนึ่งดาวกับโรงแรมสองดาวอะไรจะสุขมากกว่ากันสามดาวสี่ดาวห้าดาว เ, เครื่องบินยังยังมีหลายชั้นเลยใช่ไหมชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นประหยัดเนี่ยความสุขมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมนั่นแหละบุญที่เราทำนี่มันทำมากทำน้อยมันก็จะทำให้เรามีความสุขมากสุขน้อยมันก็มีเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นมาลลกก็มีหลายชั้นเหมือนกันทาบาปมากทาบาปน้อย มีหลายคุมเนี่ยหนักที่สุดก็เรียกว่า อ, อนันตฤยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดยุโยงให้สงเกิดความแตกแยกอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักสร้างไปแล้วจะเกิดความทุกข์มากทําไปแล้วจะเกิดความคิดว่าถ้าคนเดิมนี้ไม่ทุกข์เท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะค่าเบสิคนี้มันตา่างกันความทุกข์มันอยู่ที่ การกระทําของเราทําหนัก ท, unku, ทําเบาทำมากทําน้อยบุญก็เหม então, ือนกันทําบุญสิบบาทกับทาบุญร้อบาทมื่ไหนจะสุขกว่ากันอย่างนี้ฮะกรรมการจติดฮะกรรมการจติดก็ถูกนะเแต่ว่าเขาทาแบบด้วยความร่วมมันก็ไม่ถูกก็ไม่ได้ทําเพื่อความสุขใจก็ทําเพื่ออยากจะได้รวยๆเยอะๆนี่เราพูดถึงความสุขใจไม่ได้พูดถึงว่าจะได้เงินมาเยอะๆ ยิ่งทำมากก็ยิ่งจนไม่เข้าใจไหมไม่ได้รวยคุณทําร้านเหมกับทำสิบบาทใครจะจนกว่ากันคนทําร้านกับคนทำสิบบาทใครจะจนมากกว่ากันคนทําร้านก็ต้องจนมากกว่าคนทำสิบบาทแต่ความสุขที่ได้รับใครจะได้มากมากกว่ากันคนทําล้า น, นได้ความสุขใจมากกว่าคนทำสิบบาทอันนี้พูดตามหลักส่วนเรื่องจะรวยไม่รวยนี่ต้องรอชาติหน้าชาติหน้านี่รวยจริง ทำมากระชาติหน้าก็จะรวยความชาตนี้ถ้าทําน้อยก็จะนรวยน้อยกว่าแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้ให้เล่ามาให้รวยในชาตินี้ทําเพื่อให้มีความสุขใจให้ปล่อยวางในการยึดติดเข้าของเงินทองเพราะการยึดติดจะทําให้เราทุกข์เวลาที่เราต้องจากมันไปหมดแล้วยัง ใน้ครับเดี๋ยวสักหน่อยก็พอครับอาจารย์สักสองสามคำถามมาแล้วกันครับคุณมณีรัตน์นะครับดิฉันทุกข์ใจมากเรื่องเงินที่เบิกถอนไม่ได้แจกสัากรที่เป็นข่าจะค่มอย่างไรก็ไม่หายสวดมนต์ก็ไม่ได้ก็ <c oughs> คิดว่าเป็นเงินที่เขาขมโมยไปแล้วก็แล้วกันเงิ น, นหายไปแล้วมันจะกลับมาไม่กลับมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแหละคิดว่ามันจะเป็นของเราแล้ว ว่าเราเบริจากทําบุญทำถ้าเราคิดว่าเป็นการทําบุญไปเราก็จะสุขแล้วคิดเหมือนกับลูกศิษย์ของเขาเสดเขาทําบุญกับวัดเขา <met> นี่เขาเปความสุขมากแต่เราคิดว่าเป็นการทําบุญไปเราก็จะมีความสุขใจถ้าเราอยากจะเอาคืนก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์เพราะความอยากไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรแอ้วงานมันไปแล้วเราจะทําให้มันเป็นสุขก็ได้ทําให้เป็นทุกข์ก็ได้ถ้าเป็นอยากให้เป็นทุกข์ก็อยากคืนอยากได้คืน ถ้าอยากให้เป็นสุขก็ไม่อยากได้คืนะ่ะบายแล้วก็ไปคิดว่าถือทำบุญไปแล้วกันดีแล้วไม่ต้องไปทำบุญมีคนมารับบุญจากที่เงินที่เราฝากไว้เลยเออคำถามจากคุณอดิศรครับข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิจนขณะคำบริกรรมและลมหายใจหายไปแต่ไปคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนพอรู้ตัวก็กลับมาพูดโทรต่อ อย่างนี้ข้าพเจ้าทำถูกหรือไม่ไม่ถูกอ่ะถ้าไปคิดก็ไม่ถูกแล้วต้องอยู่กับพุทโธอยู่กับลมอย่างเดียวถ้าถ้ารู้ตัวก็กลับมาที่ลมใหม่แล้วทาต่อไปใหม่อย่าไปคิดเวลานั่งสมาธินี่ห้ามคิดหยุดคิดใจถึงจะสงบได้ mm. เหมือนน้ำอ่ะถ้าเราไปตักไปกวนมันมันจะมันจะนิ่งได้ไหเราอยากให้น้ำนิ่งเราก็ต้องอย่าไปตักมันอย่าไปกวนมันปล่อยมันเฉยๆเดี๋ยวมันก็นิ่งเอง คำถามข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับจอบคุณบันทิกานะครับเมื่อก่อนสามารถนั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงแต่ปัจจุบันรู้สึกสมาธิสั้นไม่สามารถนั่งทาสมาธิได้บังคับตัวเองให้สวดมนต์นานๆก็ไม่ได้ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรคะการสร้างสติขึ้นมาสติเราหายไปเราไม่เจริญสติไม่รักษาสติกันต้องฝึกสติใหม่ต้องพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันหรือเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปทั้งวันนะ อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งก็จะนั่งได้นานขึ้นหมดแล้วใช่ไหมครับน้อ้ถาม น, นึ่ค่ะวีคุยกับมากับเพื่อนในลนยเรื่องที่วันที่2ุของวจะมีบวชพระใหม่อะคะ่ะอาจารย์ทีนี้เราก็จะชวนกันไปถวายปัจจัยใส่ย่ามพระนะคะก็มีน้องติงมาทันทีว่า ทำให้ศีลพระท่านขาดนะอะไรเงี้ยขาดเลยเขาจะถามพระอาจารย์ให้แดะนําด้วยค่ะคือการถวายเงินถวายทองกับพระนี่ถวายได้แต่ต้องผ่านลูกศิษย์ไม่ต้องไม่ให้มอบกับมือ อ, อย่างนี้ต้องวางไว้อย่างเงี้ยแล้วแล้วลูกศิษย์ก็จะไปเก็บไว้ดูแลรักษาให้ พระใหม่ variance, ที่ท่านกาลังเดินออกมาจากโบสถ์นะคะก็ต e ้องไปฝากลูกศิษย์ของพระไว้ว่าใครเป็นลูกศิษย์ของท่านค่ะถามรแล้วนะคะต่างกล้องจะได้รู้กันไแยงกันในกุปอ่าเยค่ะพราะที่ว้าเขาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาให้เก็บให้กับพระให้ปฏิบัติถูกแต่สมัยนี้หาลูกศิษย์ยากพระท่านก็เลยเป็นลูกศิษย์ตัวเองไป ถึงว่าปกติหนูก็ยอนแต่ในย่ามปกติเลยค่ะเป็นงานอะไรที่ปฏิบัติมาตลอดเลยอ่ะก็สมัยนี้ลูกศิษย์ลูกหาเขาไปเรียนหนังสือกันไปทำหากินกันไม่เหมือนสมัยก่อนเขาไม่เขาเป็นชาวนาชาวไร่เขาก็มีเวลาว่างมารับใช้พระอยู่วัดได้แต่สมัยนี้ทุกคนก็มีอาชีพทำหากินกันก็เลยหาลูกศิษย์ไปได้บางทีพระก็เลยเป็นลูกศิษย์ตัวเองไป แต่ก็อย่างน้อยก็อย่าอย่าไปพกติดตัวแล้วก็อย่าไปตามล่านไปซื้อของด้ตัวเองเวลาที่มีลูกศิษย์เราก็ย่างได้ใช่ไหมคะแต่ต้องใส่ใจให้เรียบร้อยใช่ไหมคะก็สมัยนี้เขาทําอย่างงั้นนะ่ะใชทางออกค <laughs> ่ะแต่แต่ถ้าโดยทางที่เเข่งเข่งท่านก็าจะไม่ไม่ไม่แตะไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยให้เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์อย่างนี้ใครจะซื้อ iPhone ตัดให้กับ ให้คนที่เขาเปจัดการซื้อให้ก็ให้เงินไปกับเขาเลยถึงแม้ว่าจะถวายให้เราก็ถวายเพื่อซื้อขอ ง, ของกใกล้คนที่เขาซื้อของนี่เอาเงินไปเลยอย่างนี้กภาพก็จะได้ไม่ต้องไปแตะท้องเงินทองแก็ต้องบอกว่ามันสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแนละ้วมันหลูกศิษย์ยากก็น้อยก็อย่าอย่าพกปัญญามแล้วไปตามศูนย์การค้าไปซื้อ ซื้อบุหรีซื้ออะไรต่างๆถ้าอยากจะได้อะไรก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อให้ฝากลูกศิษย์ไว้แต่ในช่วงที่ญาติโยมถวายลูกศิษย์ไม่ว่างก็เก็บรับไว้ก่อนแล้วออกไปฝากลูกศิษย์ไว้ที่หลังก็แล้วกันก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าผิดมากมก็ผิดบ้างแต่มันเป็นไปตาม <c oughs> ตามสมัยตามยุคน เดลนกลับไปหาวิธีที่ถูกต้องครับอาจารย์พูดถึง iPhone อยากเรียนนะ้ราบว่าเมื่อเช้า iPhone 6S พัดใหม่เครื่องแล้วครับแต่มาแล้วเหยอสำหรับ YouTube ครับมาเรียบร้อยเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้มาถึงครับโอเคกระเดยลองลองทำดูจะได้มีสองช่องเผื่อใครเข้า Facebook ไม่ได้ก็เข้า YouTube เพราะ u t u b e ไม่ต้องเป็นสมาชิกเนะไม่ต้องเป็นดูได้เลยครับไม่ได้ได้สะดวกเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิสพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้านั้นทยิ่งยิ่งขึ้นไปเถินจริงๆแล้วชั้นปฐมทันที่20ที่สูงก ว, ว่าสุทชาวะนี่คือนิพพานใช้ชั้นเดียวกันหรือเปล่าคือเป็นนิพพานชั่วคราวเนี่ยยังไม่ใช่นิพาจริงๆยังไม่ใช่นิพพานเป็นความสงบ ที่ <Okay. S 1> มีความสุขเหมือนกับ น, นิพพานแต่มันเพียงแต่มันไม่เที่ยงมันเสื่อมได้ที่เขาบอกว่ามีอายุอยู่แปดหมื่นสี่พันกันใช่ไหอันนั้นก็านานมากเหมือนกนนานแต่ก็ยังต้องเสื่อมแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเป็นนิพพานมันไม่เสื่อมแล้วคนนี่ขึ้นไปถึงชั้นนั้นเนี่ย ต้องเป็นาระนาคามีก่อนดีกว่าหรือว่าไม่ใช่พระโอ้ท่านพวกชานี้เพียงแต่มีสติอ๋ออาจจะถึงขั้นชาติาบัตได้ด้วยสติอย่างเดียวแต่ไม่ด้วยไม่ไม่มีปัญญาคนที่มีปัญญานี่เป็นแบบอนาคามีแบบเป็นแบบเป็นแล้วไม่เสื่อมไปถึงสุดภาวะแล้วก็หอกไเลยหลอกไปถึงรนิพพานได้ไม่ลงมาคนที่ขึ้นด้วยปัญญาจะไม่ลง คนที่ขึ้นด้วยสติจะต้องลองว่าะติมันเสื่อยวัดกำลังอะไรนะกันนี้มันจะเป็นไมล้ละ